อาจารย์ทุกท่านไลฟ์ทุกช่องทางะท น, นะครับท่นกกานอาจารย์พรมพิไลเชิญกรรมนักการค่ะอาจารย์วันนี้เข้ามาทันสบายดีค่ะอาจารย์สบายดีค่ะเข้ามาทันพอดีนะคะ อืมแบบสวัสดีพระอาจารย์บ๊ายบายเจ้าพนค่ะวันนี้คงไม่ได้ไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะมาเล่ฟังค่ะอ่าเนี่ยก็จะไปที่ท่านต่อไปเลยนะค่ะโอเคครับคุณสาธกาสาธกะสาธกาสาธกาสาธกากลาวนมันสการพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์คะจะสอบถามนะคะ่ะ อเอญพอนั่งๆไปอ่ะคะ่ะตามที่พระอาจารย์บอกอ่ะคะ่ะคือภาวนาแล้วแล้วก็พอเสร็จแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนมันมันจัดได้ปกติแล้วมันก็มืดไปอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็เรารู้สึกตอนแรกที่พระอาจารย์บอกให้บริกรรมอะคะ่ะอิติปิโศอ่ะคะ่ะพอไปเรื่อยๆแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วมันมันมันเวิรไปแล้วมันก็ ไปดูที่ลมหายใจอ่ะค่ะบ้าอาจารย์แล้วก็มันก็มืดไปหมดอ่ะคะ่ะแล้วมันก็รับรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวอ่ะคะ่ะรับรู้เฉยๆไปไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้ให้รู้ไปอยากคิดปุงแต่งอย่าอย่างในปีปฏิกิริยากับอะไรต่างๆให้สักท่ารู้ไปค่ะแล้วทีนี้พอพอสักพักนึ่งสักแป๊บหนึ่งอะค่ะแล้วมันก็กระเด้งออกมา ทีนี้ตอนกระเด้งออกมามันจะเหมือนกับอีตอนที่เราอิติพิโสแต่ทีเนี้ยลุงไม่ได้อิติพิโสแล้วลูกลูกดันไปจำนึกแต่พุโทโธพุธโทโธอย่างนี้มันได้ไหมคะได้ไดไดพอเด้งออกมาแล้วเราสามารถบริกรรมอะไรจะได้ใช่ไหมคะได่เราต้องการให้มันอยู่ต่อเราก็ต้องบริกรรมนิสวอิติพิโสแล้วดูลงหายใจต่อโอ้ค่ะค่ะ โอค่ะแล้วก็ออกมาแล้วเราก็ดันมันกลับเข้าไปใหม่โอค่ะเพราะว่าแต่ว่ามันก็เพิ่งแบบเพิ่งได้แบบประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณครั้งสองครั้งนะคะออที่เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะทําไปได้เรื่อยๆเก็บเก็บแต้มไปไเรื่อยๆเก็บประสบะการณ์ไปไเรื่อยๆอ่าค่ะแต่ก็อยาเข้าใจมากขึ้นไปตามลำดับอ่าค่ะมันมันจะเหมือนมืดไปหมดแต่ว่า รู้แต่ลมหายใจแล้วก็ไอพวกเสียงข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้ยินอ่ถูกต้องแล้วแสดงว่ามันเข้าข้างในยังไม่เอาข้างนอกค่ะค่ะวันวันนี้มีเท่านี้ค่ะอ่าขอให้รู้ไปเฉยๆถ้าไม่อยอมรู้เฉยๆก็ให้พูดโทรพูดโทรนส่วนในดีพิโษให้มันเฉยะนะแล้วก็นั่งตอไปเรื่อยๆ ได้ถ้านั่งก็ได้นั่งไปเรื่อยๆหลๆรอบก็ได้นั่งจนกว่ามันจะเข้ากลับเข้าไปใหม่อยากเพิ่มเลิกถ้าไม่มีธุรายังเป็นยังต้องไปทำอะไรก็นั่งตออไปดีกว่าอ่าค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ทึงมริตมรดิตจากอธรรมกับบรรดาขอาราชการ้หลงพ่อ ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็พยายามจเจริญสติและนั่งสมาธิ ม, มากขึ้นเอ่ออารมณ์อารมณ์เสื่องๆต่อคนรอบข้างมันเกิดจากการปฏิบัติผิดหรือเปล่าครับหลวงพ่อเป็นยังไงนะมันจะแบบคนอื่นมายิ้มแย้มเราด้วยแต่เราก็แบบเ อ, อมันก็โอเคก็มันเฉยๆมันแบบมันไม่ได้คึกคักนะครับหลวงพ่อปกติมันจะรู้สึกคึกคักกว่านี้อะไรถ้รมันเฉยๆก็ใช้เลย แต่อย่าไปเฉยเมยก็แล้กันเขาทักมาแล้วก็คนอย่าทักกลับไปทักกลับเป็นมารยาทถึงแม้ว่าจะไม่มีอารมณ์ก็ต้องทำตามมารยาทไปแผ่เมตตาโน้ยก็เป็นแผเมตตาการฝึกที่ถูกจะทำให้เป็นแบบคนที่อารมณ์สดชื่นเบิกบานตลอดเวลาไหมครับหลวงพ่อใช่ถ้าทำถูก กระช่น勃勃 บ, บ, บานแต่ไม่มีอารมณ์กลับกลับอะไรอ๋อครับกระสุดชื่น勃勃 บ, บ, บานแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นก็ต้องกัดก็ต้องอะไรกัดฟันไปก่อนใช่ไหมครับหลวงพ่อถึงจะถึงขั้นนั้นใช่ก็อันนี้มันไม่ยอมอยู่เฉยเมันวุ่นไปหมดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องหยุดมันให้ได้โอเคครับก็น่าจะเริ่มมาถูกทางแล้วครับแล้วขอสุดท้ายครับเรื่อง รู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตครับขออุบายในการให้มีไฟในการใช้ชีวิตหน่อยครับหลวงพ่อเนี่ยใช้ชีวิตกับการปฏิบัติธรรมนำไปสู่ทํามนประเสริฐของพระพุทธเจ้าหรือมรรคผลนิพพานหมดชีพหมดไฟในทางโลกไม่อยากจะผลอยหาราบนุนสารเสริสุดเพราะเป็นกรอมทุกอยากอยากพลอยหามรรคผลนิพพานเพราะเป็นกรอบ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาส่งกันบ้านใหม่ครับขอบคุณครับลงอย่านึงสติตัวสำคัญตัวสติตัสติบ่อยๆเรยๆทั้งนอนทั้งคืนยกลนเวลาหลับครับก่อนที่จะสดชื่นเบิกบานต้องมันก็จะผ่านจุดเต้งเติมอะไรนิดนึงก่อน่มันต้องมันต้องสู้กับดิเลทที่มันจะมาสร้างความเช้ายร้อยงาอยวให้กับเราเนี่ยเรื่อยๆ คใค ร, ครสดิสู้มาทุ่นโทรทุ่โทรไปเดี๋ยวมันก็จางหายไปครับขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อท่านนั่นเนินตาอยู่ที่ไหน อ, อะไรกับสมักการค่ะอยู่อยู่กรุงเทพค่ะอยู่สามเสนค่ ะ, ะ, ะวันนี้ขออนุญาตเข้ามานั่งฟังข่าวยังไม่มีคำถามอะไรอ่ะใช่ไอาจารย์สายทิม จากสาครคามนค้นอนแข่งแบบนวัต ก, การพระอาจารย์ตุกค่ะวันนี้อยู่สาครคามค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องสอนไหม น, นะเออวันนี้มีมีประชุมแล้วก็มีงานคุยวิจัยค่ะพระอาจารย์จะมีสอนแค่บางวันแต่ก็จะเข้ามาคณะซะส่วนใหญ่ค่ะอืม <c oughs> ค่ะอยู่คณะเภสัชใช่ไหมอยู่คณะเพภสัชค่ะพระอาจารย์ มีอะไรไหมวันนี้อพระอาจารย์เจ้าคะอาทิตย์นี้นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าเวลาที่จิตมันจะสงบค่ะมันมันเข้าแบบเบาเบาขึ้นค่ะพระอาจารย์มันไม่เหวี่ยงเหมือนเดิมมันเข้าเข้าสมุดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นแบบสมุดทุกครั้งค่ะพระอาจารย์แต่ว่า ม, มันก็จะจะไม่ได้ไม่ได้ลงลึกแบบหายไปเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเวลาเราค ค, ค, ค่ปปปไไะ ได้อท่าไหร่คะท่านนั้นค่ะพระอาจารย์ฟังธรรมไปด้วยแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะพระอาจารย์ว่าทำที่ที่ฟังถืออะไรเหมือนเราก็ดูที่ลมหายใจใช้การฟังธรรมเหมือนเป็นตัวช่วยค่ะใช่เพราะว่าตอนที่ไม่ใช้เลยนี้เหมือนจะมาติตมันออกไปข้างนอกค่ะได้การฟังธรรมมาช่วยทำให้จิตใช้งอสงบด้ระดับนึ้งค่ะ แล้วก็พอมีนั่งอยู่วันนึงค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าตัวมันเบาเบาสบายสบายแบบนี้คืออก็สงบถ้ามันถ้ามันเบามันสบายก็แปลว่ามันเริ่มเข้าสูบความสงบแต่ยังอาจจะไม่สงบเต็มร้อยอ่ามันเหมือนมันเหมือนถึงถึงระดับสงบหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังรู้เหมือนเชรื่องบินเริ่มเริ่มเริ่มยกขึ้นอกจากพื้นพื้นมลอยขึ้นจากพื้นกำลัง ยังจะไม่ทยานขึ้นสูง ม, มาต้งองพักแล่นเครื่องต่อไปค่ะถ้าหยุดเล่นถ้าหยุดแล่นเครื่องมันก็ลงมาแตะดินใหม่หยุดแล่นเหมือนติดลบค่ะพระอาจารย์เคยทําช่วงหนึ่งได้ดีแล้วก็มันเหมือนติดมันมันอยู่อมันก็แบบไม่อยากทํามันดูขี้เกียจค่ะเหมือนเราทำเยอะแล้วร่างกายไม่เอาพอไม่เอาแล้วถอยหลังเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้ทําทําแล้วรู้ว่าต่นเต้น ทำแล้วสนุกค่ะพระอาจารย์รู้สึกเอ้ยนั่งสมาธิก็สนุกดีนะแล้วก็ใจมันก็อยากเรื่อยๆค่ะแล้วฉันก็นั่งดูละครน่อเอไปค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยพยายามพวก u ู u ู e อะไรดูให้น้อยลงแต่เพลงนี่เลิกฟังนานละค่ะพระอาจารย์แต่สมัยก่อนชอบมากจะชอบฟังเพลงขัดไม่ได้ต้องแบบขับรถก็ต้องฟังเพลงต่หลังพอเราหยุดธรรมะแทนาธรรมะแทนตอนนี้ก็ชอบฟังธรรมะค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิ ก็มีมีประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็พยายามนั่งเช้าเย็นหรือว่ามีเวลาว่างใจมันก็อยากมันก็จะแบบนั่งเลยอะไรเงี้ยพยายามทาให้มากเวลาไม่อยากก็นมบังคับเวลาไม่อยากอยาก่อยาปล่อยไปตามอารมณ์ถ้าป่อยไปตามอารมก์บางวันดีสี่วันไข่มีมีอันนึงที่อยากจะถามพระอาจารย์ค่ะเคยมีแบบเหมือนอารมณ์ที่แบบพอเราปฏิบัติเยอะไม่ก็ไม่ใช้เยอะมากนะคะแต่เยอะของของเราค่ะ แล้วพอเราทําไปอีกอี ก, อกเวลาหนึ่งมันจะแบบไม่อยากทําอะเป็นเป็นเพราะอะไรคะแล้วครก็กิเลสยั ง, <ฟ>งอารมณ์มันยังเบื่อเบื่ออยากอยากอันนี้จังไม่เที่ยงจิตยังไม่เที่ยงมันก็ถูกอารมณ์ที่ไม่เที่ยงแปงไปแฝงมามากช่วงก็อยากบางช่วงก็เบื่อแต่เราบังคับมันหรเบรื่อไม่ได้ต้องทําเหมือนกินข้าวบางวันก็เบื่อ เบื่อต้องเปลี่ยนที่กินนะบางทีกินที่ในบ้านซ้ำากเบื่อน่าบอกไปกินข้าง่อกบ้าหน่อยแต่รู้ว่าถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันก็จะยากกว่า่ากินนะแต่มันจะเบื่อแต่มันจะไม่อยากกินก็ต้องบังคับให้มันกินก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิก็เหมือนให้อาหารกับจิตใจถ้าไม่อยากจะนั่งก็ต้องบังคับมันให้นั่งจะได้บ้างไม่ได้บา้างก็ยังก็ดีกว่าไม่ได้ทำเลย ว่าทำไปทํารั้งนี้เดี๋ยวข้างหน้ามันจะออกแบบเั้นอีกนะออืเดี๋ยวต่อไปมันจะกลับมายากค่ะถ้าอย่างเราเคยนั่งหนึ่งชั่วโมงไหมว่าเราเบื่อเราก็ควรที่จะฝืนอย่าให้ต่ากว่าชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะป้าใช่ควรจะรักษาระดับไม่อย่าให้น้อยลงให้มาขึ้นได้แต่ไม่ให้น้อยลงค่ะค่ะที่เราขเพียนเพียนสร้างสร้างทำที่เรามีอยู่ที่เรายังไม่มีให้นี ทำ ท, ที่เรามีอยู่แล้วให้รักษาไว้อย่าให้มันหายเพราะว่าเดิมก็แบบเหมือนแบบเอ้ยเบื่อไ ม, ไม่ไม่อยากทําแต่ก็ฝืนแต่นั่งแป๊บเดียวมันเป็นพิชิค่ะพอก็นอนแต่เดี๋ยวยจะจะพยายามทําให้ให้ไม่ลดลงค่ะพระอาจารย์วเวลาเบื่อก็ต้องใช้สติบัง ค, คับงเหมือพุทโธพุทโธส่วนอิติปิโสไปก็นดค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระชาบฟังธรรมก็ฟังธรรมไป แต่จะชอบฟังธรรมมากค่ะพระอาจารย์แล yeah. right. so ้วก็คืนเช้าเหมือนธรรมะก็จะเปิดขึ้นมาเองด้วยค่ะ youtube ชอบเปิดธรรมะแล้วก็อ้าวตื่นแล้วก็ขึ้นมาฟังค่ะมีท่านี้ใช่ไหมมีท่านี้ค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะคุณปุ้ยจากลักเซมเบิร์วันนี้เข้ามาเร็วนะกับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาเร็วเพราะว่าไม่ได้ทํางานค่ะ เอคุณปุ้ยจะเกเลเพราะว่าคุณปุ้ยจะเกเลมาถือสินคพระ้าจานเพราะว่าอะไรนะทำไมไม่ทำงานวันนี้มันหยุดนะเกค่ะบอกตรงๆงเลยอ่ะเพราะว่าเออเวลาที่เราฝึกสมาธิมาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าถ้าที่ไหนมีพลังงานลบหรือที่ไหนคนที่ลบคิดลบๆเยอะๆเราต้องหยุดตัวเองและพอดีว่าจังหวะกับเหมาะว่า กฎหมายมันมีว่าเราสามารถที่จะไปหาหมอได้แล้วเราก็เอาเวลามานั่งปรับปรุงตัวเรามานั่งถือศีลดีกว่าเพราะว่า เ, เรารู้สึกอ่ะเราจะรู้สึกได้อ่ะ <c oughs> ฮะโยมค่ะโยมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับมาอุ่นเครื่องก่อนสร้างพลังบุญก่อนแล้วกลับไปต่อสู้อีก เออแล้วโยมก็เลยนั่งสมาธิมารายงานตัวกับพระอาจารย์เพราะว่าโยมนั่งสมาธิเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยมันจะนิ่งนิ่งแล้วพอลันนิ่งจะมีรูปของหลวงปู่หลวงปู่มัน่นน่ะท่านจะมาแบบมาแบบไกลๆอะ่ะแล้วก็จู่เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาครอบตัวโยมแล้วมันมีแสงสีทองทองอเอมโยมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะ โยมไม่ได้คิดแต่จิตมันคิด อ, อารารย์โทษค่ะก็ อ, อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจนให้อยู่กับการภาวนาไปท่านดูลงก็ดูลงไปท่านพุทโธก็พุทโธไปแต่โ ย, ยมมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับมีอะไรมาแก้งโยมว่าไม่ให้ตื่นเวลานอนแล้วแบบมันจะมันไม่จะตื่นไม่ได้เหมือนกับอะไรมากดกดกดกดตัวเรา เปเลยเนี่ยเลนแไม่อยากให้ตืเลเล่นเปลนแล้ช้าไม่เราดอนองมาใช่ยมก็เลยขอขอเอเอ่อกราบขอขอขอพระพุทธเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ตื่นตื่นทันตีสามเพราะว่ายมอยากจะตื่นมานั่งสมาธิสวดมนต์แต่ถึงยมจะตื่นสายแต่ยมก็ทํานะยมก็ยมก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นอ่าเพราะว่ายมถือว่ายมต้องส่งกันบ้านเอ่อพยาจารย์ โยมก็เลยอยากจะหยุดมานั่งฟังธรรมกับพระอาจารย์อย่างเต็มที่เลยนะฮะเดยนะทำไปทไปเรื่อยๆนะชาทำไปเรื่อยๆโยมมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมคิดถูกต้องหรือไม่เพราะว่าโยมมีแฟนเก่าของโยมคือเลิกลากันไปแล้วตั้งสองปีกว่าอาจจะจะสามปีแล้วแต่เขาก็พยายามจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องของเราแต่ทีนี้ช่วงระยะแรก จิตโยมมันไม่นิ่งแต่พอทอนถึงจุดนี้แล้วมันมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งสามสีเดือนที่แล้วยมคิดขึ้นมาว่าโอเคลองซิคิดเองค่ะลองจะลองดูซิว่าจิตเรานิ่งหรือเปล่าพอเวลาเขาโทรมาเราก็ลองรับผู้ลงก็ถามออกไปเพราะปกติแล้วเราจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงขี้โมโหแต่วันนี้เราสามารถฟังได้ฟังแบบผ่านมองเขาได้อย่างมองแบบผ่านกระจกแล้ว แล้วเราไม่รู้สึกแต่ถ้าถามว่าเราจะเดินกลับไปตรงจุดนั้นไหมยมไม่รู้ว่ายมคิดถูกหรือเปล่าแต่ยมคิดว่ายมมาคงไม่เดินแล้วกลับไปตรงจุดนั้นต่อให้ ม, มีเงินมากองไปละละร้อยล้านยมก็ไม่เอาทั้งที่มันรวยรวยข้อจะรวยเลยยมก็ไม่เอายมคิดว่ายมจะเดินมาทางนี้แล้วอะฮะยมก็ไม่รู้ว่าเป็นคิดอย่างนี้เป็นการโง่งหรือฉลาด ก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะเป็นใครจะบอกเราได้ล่ขะของยมต้องรู้เป็นตัวเองเวีย <c oughs> แงแต่ว่ายมคิดว่าโอเคยมก็คิดตามที่พระอาจารย์สอนว่าเกี่ยวกับคนมีความรักมันต้องมีความทุกข์แล้วพอดียมเวลาโยมที่มองรูปเขาอ่ะมองรูปเขานังโทรศัพท์ยมก็สแกนเหมือนกับสแกนกระดูกอย่างเงี้ยลยมก็เลยรู้สึกออมันปงมันยังไงมันปุ่งอะว่า ชีวิตคนมันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเงอและมันอีกจิตหนึ่งคือเราไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วไงเอเห็นว่ามันทุกข์กระถุ่มว่าละ่ะเห็นว่ามันเป็นตายรักไม่เที่ยงอนิจจ์ใช่นําไปสู่ความทุกข์ความไม่เที่ยงนําไปสู่ความทุกข์เราก็สงสารนะเราสมเพชเขาและสงสารเขาเวลาที่เขามาคุยกับเราอย่างเมื่อวานนี้เขาก็มาคุยกับเรา ถามว่าจิตเรากระเทือนหรือตกลงไหมจิตเราไม่ตกแต่ว่าเรากับสอนเขาไปว่าทําไมเธอไม่หยุดเพราะว่าการทําความการที่สิ่งที่เธอทําเนี่ยมันมันแย่มากๆทําให้คือมั่วตัวทวเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันแย่มากๆแต่เขาก็ฟังแล้วก็หยุดคิดนะเขาบอกว่าเขาก็คือเขาไม่ได้เป็นคนาศาสนาพุทธเหมือนกับเราแต่เขาก็บอกว่าเธอดีเหมือนเมื่อก่อน แล้วตอนนี้เธอก็ดียิ่งกว่าแต่เราก็ไม่ได้ไปฟังคํายอเยอะคาชมคํายอของเขาแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะช่วยใครสักคนะเราช่วยไม่ได้แต่เขาต้องเปลี่ยนตัวของเองจริงไหมคะสิ่งนี้โยม<อ>ช่วยได้ครับพระพุทธเจ้าว่าช่วยพวกเราหมดนะถูกต้องฮะโยมก็เลยเออคิดว่าถอยออกมาเพราะว่าเ อ, อเราแข็งแรงแล้วเราไม่อยากที่เ อ, อจะ อไปเอาอะไรที่มันมาสีอะไรที่มันทางใครทางมันก็แล้วกันใช่ใช่เพราะว่าเป็นทางนั้นก็เลยของเขาแล้วก็ไปทางของเราแล้วกันใช่เราก็อวยพรให้เขาบอกว่าเอเราก็อวยพรดีๆให้เขาแหละบอกว่าเธอถ้าเธอตั้งสติเดินออกมาจากยาได้เธอก็จะมีชีวิตที่ดีเพราะความสุขมันไม่ใช่อยู่ที่การที่เธอออกไปดื่มอออกไปหาผู้หญิงแต่มันเป็นความสุขเราก็บอกเขาไปแบบ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาว่าว่าทำจุกมันเป็นที่ว่าอยู่ต้องอยู่ต้องสุขในใจลึกๆอืถ้าอยู่พร้อมอยู่ก็ไปสิที่วัดที่เบลเจียมลงไปศึกษาทําดูอืมเขาก็นิ่งเขาก็ฟังนะเพราะว่าเขาสูญเสียมให้ดีก่อนนะเออค่ะค่ะขอพรค่ะพระอาจารย์ให้โชคให้เจริญให้ให้รวยถูกหวยทั่วม่วนหวยร่ำรวยน ไม่กล้าซื้อหวยเลยอ า, าจารย์ให้พรอย่างเงี้ยอทําไม่กล้าเอยจะให้ถูกแล้วไม่ยอมซื้อเพราะมันก็ไม่ถูกสิก็กลัวไม่ถูกอ่ะพรอาจารย์ไม่ถูกาาถก็เสิฟไปเรื่อยๆได้มันทั้งถูกทั้วันเลยนะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ <Okay. S 2> ขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสาธุสาธุสาธุาาค่ะคุณสมพรเชนอยู่ที่ไหนคุณสมพร อยู่ที่ระยองครับนนได้ยินได้ยินนะได้ยินชัดเจนอ่าได้ยินชัดนะเออวันนี้มีมีเรื่องที่อยากจะถามเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงเกี่ยวกับการทำสมาธิเคยเดิมทีเนี่ยผมผมก็มีปัญหาทางด้านกระดูกสันหลังซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุอยู่การนั่งสมาธิก็นั่งนั่งไม่ได้นานนักได้ครั้งละประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะแล้วในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ ก, ก็มีปัญหาขึ้นนิดหนึ่งในเรื่องของเวทนาเวทนาเกี่ยวกับเนบชาอย่างซุบสมมุติว่าเน็บชาเนี่ยเราก็อาศัยจากที่อาจารย์เคยเคยเคยแนะนำว่าก็พุทโธพุทโธพุพทโธทีๆไปนะเพื่อให้จิตเนี่ยกลับมาตั้งมั่นนะอันนี้ก็พอทำได้ในกรณีที่เน็บชานะแต่มันมีเวทนาอันหนึ่งที่ยากยากที่จะทำการ ก็คืออาการคันสมมุติว่าเวลาเราไม่ทําสมาธิเนี่ยอาการคันเหล่านั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นแต่เวลาเราทําสมาธิเรานั่งสมาธิเนี่ยบางครั้งมันมีคันที่ที่นี่ที่หน้าลักษณะเนี้ยคันเป็นจุดๆก็ทําให้เราพวกละว ง, งนะผมก็ใช้วิธีการพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยพุโทโธก็ก็ยังไม่หายมันเหมือนกับเราเราเรากำลังดึงระหว่าง จิตที่ไปตั้งมั่นที่อาการคันกับจิตที่เป็นพุทโธเนี่ยนะแล้วก็เพราะนั้นก็พยายามดึงดันกันอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันมีคันจุดที่สองคือจุดที่ตรงคอขึ้นมาซึ่งมันมันเป็นเวทนาทางใจนีค่อนข้างจะค่อนข้างจะหนักถ้าเวทนาทางกายนี่ยังยังพอรับได้แต่เวทนาทางใจนี่มันทาให้เราต้อง ต้องเอื้อมมือไปเก่าจุดนั้นเพราะฉะนั้นอยากเรียนถามอาจารย์ว่ามันมีวิธีมีมี ม, ม, มีมีอุบายอะไรที่จะที่จะแก้ไขตรงจุดนี้ไหมครับก็เหมือนกับที่คุณทํากับความเจ็บชาของน้าชายให้อยู่กับพุโทโธไปมันจะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นไรช่างมันไปอย่าไปสนใจอย่าแพ้ความสาคัญมันเนี่ยพอใจเราตั้งมัน่นแล้วเราก็าอยู่กับมันได้ มันจะคันแล้วก็อยู่ประมันได้ล้วไม่ต้องไปทำอะไรครั บ, รบแล้วอีกอีกอันนึงที่อยากจะเรียนถามก็คือผมเข้าใจถูกต้องไหมในการที่ว่าออในการทาจิตให้เป็นปัจจุบันธรรมนะก็คือเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวก็รับรู้เมื่อใจเคลื่อนไหวเช่นไปไปตกอยู่ในเวทนาในสัญญาหรือในสังขารก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องัหยครับถูกต้องให้กลับมาที่ร่างกายให้มันดุที่ร่างกายอย่าไปูุที่ใจครับครับโอเค ก, ก็ก็มีเรื่องเรียนถามท่านพระอาจารย์แค่นี้ครับสาติถึคุณพรนเพนคุณพรนเพลนได้ยินไหมได้ยินครับไม่ไม่พูดถึงคุณพราเพลคุณพรเพลนเชิญอยู่ที่ไหน จูรุงเทพเจ้าคะ่ะมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะมาฟังพระอาจารย์เจ้าค่ะเห็นไปที่ท่านต่อไปเลยนะเป็นหมอาศาสนาเป็นหมอาศาสนาใช่ไม่แม่นแล่เปดไม้ไม่ได้่ะได้แล้วค่ะ host is not allowing เดี๋ยวนะคะได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ยินได้ยินไม่มีปัญหาพูดได้ ค่ะทำไมมันเป็นไม่เห็นน uh ้ำพระอาจารย์ไม่เป็นไรพระอาจารย์ค่ะก็คราวนี้ยกลับมาพระอาจารย์ได้ยินนะคะเออได้ยินค่ะก็คราวนี้กลับมาจากเขาก็รู้สึกว่าคราวนี้ยมันสงบเออสงบแล้วก็เย็นไดตลอดนะคะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันนิ่งขึ้นแล้วก็เห็นเห็นเหมือนกับเห็นเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอเห็นไตรักเห็นอะไรทั้งทั้งหมดค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกดีแล้วก็นั่งลองนั่งเอ่อเรื่องของความเย็นนะคะก็ คนพบว่าจริมันก็เหมือนกับเป็นเป็นเรื่องของเหมือนกับความเจ็บใช่ไหมคะพระอาจารย์พอความเีย็นถ้าเกิดเราเราไม่สนใจไม่ได้อยากให้มันหายหนาวหายอะไรมันก็ผ่านไปได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้มันก็เป็นเมตนาชนิดหนึ่งเป็นผลพระโอ้นเข้าใจแล้วค่ะได้แล้วก็อีกอันนึงค่ะพระอาจารย์อเดี๋ยวน้องสาวจะเข้ามานะคะขับรถอยู่เดี๋ยวเขาเข้ามาเข้าสูบเขาบอกว่าดีมากเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือถ้าเราเรื่องของกิเลสนะคะถ้าเรา เธออาทิาตทย์ที่คอลกลับมาเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันมันกํนาลพยายามรักษาอุเบกขาคือให้แบบไม่รักไม่ชังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดมันมีความเราเราแก้อย่างหนึ่งก็คือด้วยความอยากใช่ไหมคะพระอาจารย์คือฝืนความอยากคือว่าถ้าเราเห็นอะไรอ่ะให้เรามองเป็นไตรักเพื่อจะได้ไม่ให้มันอยากคือนี่คือวิธีการแก้วคือเรื่องของกัดความอยากใช่ไหมคะพระอาจารย์ในเรื่องไม่ให้เกิดกิเลสในเรื่องของรู้รู้ตื่นเสียง ก็ให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากนั่งทุกข์ไหมมันจะทําให้เราทุกข์ไม่ช้าก็แล้วได้ท่าเข้าใจแล้ ว, ว่ะอาจารย์าตานที่ทพระอาจารย์เทศก็เริ่มเข้าใจเดี๋ยวทําต่ออาารยวันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไปทีคค่คุณธูปพัดอาจารย์คุทธูปพัดธูปพัดสวัสดีครับอาจารย์จบน้ำข้าวมานเถอะครับน้ำข้ามัมถอะ ม, มีอะไรไหมมีครับพระอาจารย์มีอะไร คือตอนนี้ผมนั่งสมาธิครับทําตามที่พระอาจารย์บอกกับให้ท่องบุโถและคือพอพอตอนนั้นก็พอเมื่อสองสามวันที่แล้วครับพอผมนั่งสมาธิก็เหมือนว่าจิตมันสงบครับเรารู้สึกเหมือนหัวมันหนักอย่างเดียวครับเหมือนร่างกายเราไม่เหมือนมีอะไรอยู่เลยครับเหมือนเรารู้สึกเหมือนร่างกายมันเบาแต่หัวมันหนักครับและหลายวันก่อนมันรู้สึกเหมือนพอเรานั่งไปปุ๊บจิตสงบจิตสงบปุ๊บพอตอนหายใจเข้าหายใจออกอะครับ รู้สึกเหมือนจะอ้วกสุดฤิสุดเดชเลยครับแบบเหมือนจะออกเหมือนจะมันจะออกมาให้ได้ครับคือตอนนั้นผมแบบจะอ้วกมากเลยครับพระอาจารย์คืออยากรู้ว่ามั น, มนเป็นมันยังไม่สงบนะมันเป็นปฏิกิริยาของจิตก็อยากไปสนใจให้อยู่กับพุกทุกอย่างอ๋อครับพระอาจารย์แล้วคืออาการที่แบบหัวหนักกับตัวเบานี่แสดงว่าจิตเรายังไม่สงบนะครับ มันก็ไปส่งผลให้กับน่างกายได้ก็ไม่ท้ไปสนใจ <c oughs> พูดโทรต่อไปอ๋อครับพระอาจารย์โอเคครับขอบคุณครับคุณเอเ้เกิญเก็บสารทเก็บสาคอคู่ที่ไหนกรุงเทพนะเปิดใหม่ไม่ไหม่เปิดยังไม่เปิด ค, ครับได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินนะครับนวัชการครับอยู่กรุงเทพครับ<ม>วันนี้เข้ามามฟังธรงมาารมครับอาจารย์แล้วก็มากาบอาจารย์ครับคือนอนจีราเอาทั้งสองคืนนะ น, นั่นเมื่อคืนนี้ก็เข้าเมวานี้ก็เข้าค่ะสดีค่ะนรวัชการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคํามนามเกี่ยวกับเส่งจิตออกนอกค่ะ ค่ะเออข้อแรกคือการพนันนี่ผิดศีลข้อไหนหรือเปล่าคะเป็นระบายมุกนาไปสู่การผิดศีลต่อไปเรื่องการพนันพองเงินหมดก็จะไปขวาเงินมาเล่นต่อครับงั้นถ้าพูดถึงเรื่องการ ส, งส่งจิตออกน้อยอย่างเช่นพวกบาปที่จัด ก, การทานเหล้าติดนิยายติดฟังเพลงติดละครกับติดพนันนี่เป็นบาปพอกันหรือเปล่าคะ ก็มันก็เป็นเป็นอบายมุกเหมือนกันนะในการพนันก็เป็นก็นอบายมุกดูหนังฟังเพลงร้องนําทําเพล ง, ท ง, เ, พลงทเที่ยวแต่นนี่ก็เป็นอบายมุกมันไม่เกิดประโยชน์มันเป็นเหมือนยญญาเสพติดเสร็จแล้วมันติดมันก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้คือรักความผิด นี่คือพอๆกันเลยใช่ไหมคะ ก, ก็ไม่มันอยู่ที่ว่าติดมากติดน้อยมากกว่านําไปสู่การทําบาปไม่ไม่ถ้าติดแล้วมันไม่ไปนําไปสู่การทําบาปมันก็ยังไม่หลุด แ, แต่ถ้าติดแล้วมันนําไปสู่การทําบาปมันก็ถึงจะถึงจะเกิดโทษตา ม, มาดูตามนําทังมันเองมันไม่มีโทษแต่ไม่มีประโยชน์เสียเวลาเอาเวลาไป นั่งสมาธิไปศึกษาธรรมะดีกว่านะะกับขอบพระคุณค่ะอยู่ที่ไหนน่ะหนึ่งแล้วกรุงเทพแล้กรุงเทพค่ะกรุงเทพท่านต่อไปคุณแมนคุณแมนก็อยู่กรุงเทพนะครับอาจารย์ครับตอนตอนแรกเหมือนจะมีคำถามครับแต่ขออนุญาตทำความเข้าใจนิดหนึ่งครับว่า เออมีตอนแรกมีปัญหาเหมือนกับ ว, ว่ามันก็ไม่ในก้าวหน้าอะไรเราควรจะตั้งเป้าหมายไหมการที่เจ้าฟังมา ก, ก็ก็ทำแนวทางก็คือปฏิบัติให้เยอะมีสติให้มากแล้วก็พยายามหาทางแก้ทํามันไม่นิง่งก็สวดมนต์ไปบ้างทำกรรมไปบ้างแล้วก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้จะดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์จะได้ไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายอี น, นี้ก็เป้าหมายแล้วแหละการทําอย่างนี้นนคือเป้าหมายนะอ๋อครับออก็อเห็นบางทีมันเกิด เกิดฟังไปเยอะๆเกิดเจอท่านพี่บางท่านเขาไปกันถึงโน่นถึงนี่แล้วเรายังไม่ถึงไหนยังเจริญสติอยู่เลยก็แต่ล้ะคนมันก็การทำมาไม่บ้านน้อยไม่เท่ากันไม่ต้องไปมองคนไหนมองตัวเราเองรับคราทำหรือเราทําหรือไม่ทําอันนี้เป้าหมายของเราที่การกระทําเป็นหลักสำหรัครับอาจารย์ขอบพระคุณครับก็ ก็จะยึดแนวนี้ไปอครับก็จะได้สบายใจก็ทำไปเรื่อยๆครับขอให้ทําไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนะครับบ้างบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บางวันนั้วแต่กําลังบางวันก็มีกำลังมากบางวันก็มีกําลังน้อยบางวันก็มีเวลามากบางวันก็มีเวลาน้อยก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าหยุดนอย่าถอยครับก็มีอาจารย์เป็นเป็นหลักไว้ครับจะได้จะได้ปฏิบัติ ทุกทีเจอเข้ามาอะไรงานทุกทีครับครับขอบพระคุณครับสนใจอะไรก็ถามได้ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาสติให้แน่นก่อนครับอ่าดีถูกต้ครับดูน้ำต้นทุกคนอยู่ที่สตินะขอไข่ขอไขของการปฏิบัติครับก็จะเอาตรงนี้ก่อนให้ไม่ฟุ้งซ่านก่อนอะดีครับแสดงว่าเข้าใจหลักธรรมนะเข้าใจนะครับขอบพระคุณครับ ก็จับหลักมาฟังใบจานมาสักเดือนสองเดือนเนี่ยครับก็ค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเข้าใจไปครับครับขอบคุณครับสารถุเนรอยากเชื่อมาเก่าในมรสการพระอาจารย์ครับไงไงวันนี้มีอะไรไหมวันนี้วันนี้มีครับพระอาจารย์เออมีแบบว่าเวลาเราทําไปมันเหมือนกับกําลังมันหมดนะฮะ มันสติผ่อนไปหรือเปล่าครับอาจารย์แค่พักบ้างก็ได้แ้ามีบวทมีอืมว่าครผมทําช่วงเช้านั่งมันนั่งไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่สิบ้าเนี่ยจะนั่งให้มันถึงประมาณสองชั่วโมงมันหมดฮะอาจารย์ก็ไม่เป็นาไรก็พักเปลี่ยนลุกขมาเดินนั่งก็ได้ถ้านั่งไม่ได้ก็เดินครับผมครับเรืองฟังธรรมนั่งเวดาสลับกัน อือครับเพราะว่าเป็นช่วงเช้าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรเข้ามาลุกลุด้วยก็ไม่รู้อาจจะมีส่วนอยู่นะครับมันก็ส่วนส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่สติของเราถ้าสติเราไม่ไม่ก้าหน้าไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องก็ทั้งเผลอพลั้งเผลอสติถูกอารมณ์ดูดไปก็ได้อืมครับผมครับผมเรพยายามดึงสติกลับมา อ่าพุทโธพุทโธพุทโธอนเปิโอครับผมครับมครับไม่มีอทำงา น, นมันก็กลับมาใหม่นะครับผมครับวันนี้เขามากับพระอาจารย์แล้วไม่มีอะไรครับพระอาจารย์กับขอพระคุณพระอาจารย์ครับผมสาธุคุณห้อมจากบอวินอ้อมหายกลัวแล้วยังค่ะ ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคําถามค่ะคถามเลยถามว่าตอนนี้มีปัญหาคือเหมือนเวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆเข้ามาครั้งแรกอะคะ่ะเราจะเหมือนเหมือนมันเราต้องมีประสบการณ์ก่อนนะคะกับเหตุการณ์นั้นๆนะคะเราถึงจะมาวิเคราะห์ตัวอริยาสัจสีได้อะคะ่ะแสดงว่าเราอ่อนตัวสติกับปัญญาที่พองเป็นไตรลักษณ์ไหมคะ่ะ ก็ถ้าเรายังต้องวิทอดอยู่แสด<อ>งว่าเรายังปัญญาเรายัางมีไม่มากมยังไม่เห็นว่าเป็น ต, ต, ต า, มม า, มายรักทันทีก็ต้องมาวิคร์ทอดหน่อยก็เป็นเป็นอไม่เมสียหายหนะ่อยตามใจถ้าเราอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในวงของใจรักใจรักก็มีตั้งแต่เริ่มต้นไปถู่ไปสูป่เต็มรูปแบบบางคนเห็นนายป้าวกว่าตายรักเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องมาวิทราทอดให้เสียเวลา <ฮ Hier. S 2> บางคนก็แ้้วน่ามาวิเคราะห์กแฟนได้เที่ยงนะอยากจะมีแฟนเอยูนอยคนเดียวมไม่ที่ว่าไม่มีความสุขมีแฟนน้าจะมีความสุขได้เวลาได้มาใหม่ๆก็อาจจะสุขแตเดี๋ยวเกิดแฟนเปลี่ยนไปหรือเราเปลี่ยนไปอารมน้องาเคยนักเกิดเบื่อขึ้นมาอยู่กับคนที่เราเบื่อมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปได้ใช่ไหม น, นั่นต้องรีคอ์ วิเคราะห์บ <c oughs> ่อยๆต่อไปก็ไม่ต้องวิเคราะห์ต่อไปก็รู้ว่าอ๋ <c oughs> อย่างมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่ไม่เหมือนตอนที่พบกันใหม่ๆได้มาใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปของใหม่แลก็กลายเป้นของเก่าของของามแล้วก็กลายเป็นของ่ามเบือไม่มาได้แต่ต่อไปถ้าเราวิวิเคราะห์บ่อยๆจนชำนาญแล้วมันก็ไม่ต้องวิเคราะห์เหมือนกันบวชทุกอย่างมันมาในรูปแบบเดียวกันนั่นเอง ใหม่ๆก็เป็นหน้าตาจุ๋มจิ้มพอเก่าก็กลายเป็นสนิมมันะจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่แบบเราไม่เคยเจออาจารย์ทีเนี้ยเหมือนเราไม่ได้เตรียมใจรับมือมันก็ <c oughs> ไป <c oughs> ซ้อม่ปก่อนต้องซ้อมมันก็ปุกเข้ามาทํำลายได้แต่ทีเนี้ยต้องทำกันล่ามไปก่อนต้องพยายามนึกถึงเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเราอาจจะไม่คาดจับมันมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งกับตัวเราและทั้งกับคนอื่น ทักับทรับย์สมบัติเข้าของเงินทำเงาทั้งหมะเนี่ยเราเวลาเราดูข่าวเช่นวันนี้ดูข่าวพายุที่อเมริกา้านทำที่หายหมดแล้วนี้เราก็ลองย้อนถามกับถ้าเป็นบ้านเราบ้างจะทํ า, ทาแล้วอ่ะ <c oughs> อ่าก็ต้องนึกถึงเอตุการนี่ใช่ไหมเราจะน่าเตรียมตัวไว้ก่อนเนีเ่ยถ้าเราไม่เราไม่เราไม่วาดเราไม่เราไม่เอามา คิดย้อนกลับเข้ามาถ้าเกิดขึ้นกับเราเราจะทํำยังไงพร้อมไหมพร้อมที่จะอยู่แบบเส้นเนื้อประดาตัวได้ไหมบานช่องพังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ตัวปวดปะ่าหรือวเวลาเราไปงานศพอะไรนี่ก็เออเนี่ยถวันเราก็ต้องไปนอนในโรงเรียนเขาเนี่ยพร้อมไปรด้ยังหรือไปเยี่ยมเพื่อนมางคนไม่สบายที่โรงพยมมาบาลถ้าวันอาจจะไปนอนในโรงพ ย, ยมมาบาลกับเพื่อนเราได้ที่เราไปเยี่ยมตรงนี้ เนี่ยเป็นสิ่งต่างๆที่เราต้ามาทากันบ้านไหมก่อนเราสามารถจะรับกับมันได้ไหมใจไม่ได้เป็นนะ่ะร่างกายอะไรเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปถ้าเราห้ามมันไม่ได้ก็ต้องอยู่ก็ต้องรับส ภ, สภาพของมันไปแต่ใจไม่ต้องทุกข์กับมันได้นะถ้ายังต้องมานัน่งวิคอยอยู่ทนายว่าไม่ทาการบ้านเลยมัน มันทําข้อสอบแล้วมันก็ตอบไม่ทันเลถ้าทําการบ้านไว้ก่อนพอเข้าห้องสอบก็ตอบปุ๊บคาถามมาก็ตอบ ป, ป, ป, ป, ป, ปั๊บตอบปั๊บอืมค่ะใช่ไหมเห็นไหมนักเรีย น, <c oughs> น, นเวลาทำข้อสอบบางคนใช้เวลานานนัเกเรยนก่อนจะทําเสร็จ <c oughs> าบางคนทำแป๊บเดียวนั่นก็เพราะเขาทำการบ้านมาก่อนนะเขารู้แล้วเขารู้คําถามแนวะ่าจะต้องมาแนวไหนเขาเตรียมทำการบ้านไว้ก่อนนะพอมาปุ๊บเขาว่าตอบได้หรือตอบได้ หลายคนที่ไม่ทําการมานก็งงไม่ทํางานว่าข้อนี้นั่งคิดก็เสียเวลามากเดิมมันทําได้ครับาอาจารย์แต่ข้อสอบใหม่มันไม่เคยเจอมันก็มันก็จะทําไม่ได้นั่นแหละก็ะต้องพยายามนึกอันนี้แล้วเราหาการบ้านของเราเไม่มีใครก็ยืน่นการบ้านเราได้ตั้งโจทย์ขึ้นมาเองตั้งโจทย์ขึ้นมาเอง ค mm hmm. ำถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะอะไรจะเกิดถ้าเราดูข่าวดูอะไรเรื่องของคนอื่นเราก็โอปัญหาอีโก้เจ้าบอกให้น้องเข้ามากับตัวเราแล้วถ้าเกิดมันเกิดกับตัวเราบ้างเราจะทํำยังไง mm hmm. ใช่ไหมมีข่าวข่าวสามีภรรยาทะเลาะกันถ้าเกิดต่อไปมันถึงจะเป็นอย่างนี้บ้างจะทํำยัำยงไง mm hmm. มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะ ไม่มีใครยกเว้นทุกสัพเพทธรรมาสัพเพสังขารทุกอย่างสัพเพเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนไม่ช้าก็เลยว่าต้องเจอข้อสอบเนี่ยทเตรียมทับกันบ้านไว้ก่อน <c oughs> เราเราต้องให้แน่นใจลักใช่ไหมคะใช่ค่ะสมมุติเนี่ยงานที่ทําอยู่ก็อตองานขึ้นมาเับบริษัทเจ้งปิดขึ้นมาทาําไงอืม ถ้าเหมือนตัวเนี้อคิดไว้อยู่แต่แบบเหมือนเจอเหตุการณ์ในที่ทํางานที่เรายังไม่เคยเจออย่างนี้มันก็เป็นเวลาไม่เคยเจอก็ถือว่าเป็นทำเป็นการณ์มานให้เรามาขอบคิดกันแล้วแล้วก็สอนให้เราว่าเราจะต้องคิดคิดคิดให้มากขึ้นคิดให้กว้างขึ้นกับเหตุการณ์ที่เราดําเนินในชีวิตประจําวันทุกวันเนี่ย ม, มันอาจจะไม่เหมือนกันทุกวันใช่ไหมคะค่ะ ทุกวันมันจะลาบรื่นแต่วันดีเกินดี<ช>มนอาจจะไม่ลาบรื่นขึ้นมาก็ได้ค่ะคิดอยู่เรื่อยๆถางตัวเองว่าถ้าเราทําตอบโจทย์ได้ปะ่ะใจเราไม่หวั่นไหวใจเราไม่เครียดไม่ทุกข์กับมันได้ปะ่ะที่เครียดที่ทุกข์เพราะเราอยากให้มันดีไปเรื่อยๆอยากให้มันลาบเรื่นไปเรื่อยๆแต่ไม่มันก็ไม่มีอะไรใครไปบังคับมันได้ อนัตตาค่ะใช่ค่ะนั่นแนี่คือตายรักคิดแบบนี้เนี่ยคิดอยู่ในวงนี้ก็โอเคไม่ฟุ้งซ่านถ้าคิดทางตายแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าคิดนําวงตายลาแล้วก็ฟุ้งอยากจะเป็นนางงามอยากจะโน่นอยากจะนี่ขึ้นมาอยากให้แฟนอยากให้โดยอยากได้ลถใบได้ทํำให้ฟุ้งซ่านกัน อยคิดไปในทางกินเลยคิดไปในทางทำไม่ว่าปัญญาคิดอยู่ให้อยู่ในวงของตาแล้วตลอดนี่นแล้วมันก็จะไม่อยากมันก็อยู่เฉยๆก็โอเคแล้วแค่นี้พอแล้วจะเอาอะไรมากมายนะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นะลองไปทำการบ้านล อ, องหาข้อสอบนะ ห, หาข้อสอบตา่ า, างๆมาทำดู ค่ะต้องคิดว่ามันเป็นอนัตตาเรดูเราดูละครมันก็เป็นตัวอย่างให้เราเอามาคิดเป็นอนัตตาอาจารยทั้งคัอนอนัตตาได้ไม่ได้ดูละครค่ะอาจารย์ก็ไม่ว่าล่ะดูคนอื่นก็ได้เรื่องราวของคนอื่นเรื่องราวของคนอื่นดูข่าวก็น่าก็มีเรื่องราวให้เรามานึกมาคิดอยู่ตลอดเลยน่าวข่าวก <c oughs> <c oughs> ็ไม่ดูค่ะทำไมไปไลไม่ดูกูไม่ไปไล ก็ดูชีวิตประจําวันของเราก็ได้ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าค่ะค่ะน่ะหมดแล้วใช่ไหมครับทามหมดแล้วค่ะโอเคฮะขอบระคุณทวิษฐจากสวิตแลนดวันนี้ก็ยังถือ ว, ว่าเป็นมันพระอยู่เหมือนเดิมนะวันหยุดทํางานมันปฏิบททัติธรรม ใช่ค่ะท่านผู้จาร์กับรัช ก, การผู้จารย์ค่ะเข้ามากลับแล้วก็เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะผู้จารย์ยศก็ ป, นนปฏิบัติดีไหมเออจะว่าดีก็ดีจะว่ายังไม่ดีมันก็ยังมันมันยังพูดไม่ได้เมื่อเต็มเละค่ะผู้าจาร์มันเวลานั่งนั่งสมาธิก็สงบอยู่พระผอาจารย์แต่พอคล้ายๆว่าพอสมาธิมัน มันเย็นมันจางไปแล้วอารมณ์ความความเวลาไม่พอใจเหมือนเหมือนที่พระอาจารย์เทศนะคะว่าอยากให้เขาเป็นแบบนี้พอเขาไม่เป็นมันก็กระเพิ่มขึ้นมาอยู่ค่ะพระอาจารย์มันปัญญาต้องเข้าปัญญาต้องเข้ามาแก้ทันทีค่ะป้าอาจารย์ก็พอกระเพิ่มเสร็จก็เลยคิดว่าเออแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังมีมองโห่อยู่ค่ะป้าอาจารย์เหมือนกับอยากมันไม่เป็นดังใจแต่ปัญญาไม่ทัน ค่ะว่าจาย์ข้าปัญญาท่านก็บอกนะเราไปอยากไม่ได้เขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาข้าพไม่ได้ค่ะว่าจางเพราะแต่มันโมโ oh ห ok ไปแล้วก็กลับมาคิดทีหลังก็เลยก็เลยรู้ว่าเออเราก็ยังเย็นสมาธิมันอุเบกขามันยังไม่พอเราก็ต้องต่อไปอีกเพราะความอยากอยากให้เขาเป็นแบบนี้อยากให้เป็นแบบนั้นมันมันยังมีอยู่สมาธิาาไม่ทําให้เกิดปัญญาต้องมีเค้าต้องศึกษาถึงจะเกิดปัญญา แบบแล้วแล้วที่ท่านพระอาจารย์เทศว่าถ้าสมาธิมากๆเราก็จะมีความเย็นถ้าเกิดความเย็นมันหายไปตอนนั้นเราก็จะเอ่อความหยาดจะร้อนจะร้อนค่ะอันจะไม่ด้วยถ้ใช้ปัญญาระงับมันไม่ได้ก็ต้องกลับข้อสมาธิก่อนอ๋อก็คือต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันด้วยถ้าใช้ปัญญาได้ก็ไม่ตได้ก็ไม่ต้องเอ่อ มันก็สามารถทําให้ใจเย็นกับเย็นลงได้ครับถ้าพิจารณาทางปัญญาได้ปล่อยวางความอยากได้ความน้อยก็จะหายไปอ๋อค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะหลังจากพิจารณาแล้วมันก็โอเควางแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมันมันไปแล้วค่ะพระอาจารย์มันมันรู้สึกโมโหหงุดหงิดไปแล้วแต่พอเสร็จแล้วพอไม่มมมีีีปปัััััญญญญาาาาาาคควบบบ้้้้ยยยรนนนนททหหหลลลลงงงงดดเเเตตอออใํํิู่ะจ ออกไปลวเร่มลูกกระฉีดมันเลยโอเคค่ะพอเริ่มอยากพวกกระฉีดมันเลยโอเคก็ต้องก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้อาบุเบคาให้ได้เยอะๆแล้วก็จังหวะนั้นให้าอเคก็้องก็ต้เามาธิให้อาบุเบคาให้ได้เยอะๆก็จังหัะนันไห้โอเค้องก็ต้เข้าใจ้ไ้อาบเาใยแล้วก็้้อต้องต้องาสมาธ้อย่บคางห้อวกังวนให้คกให้ได้เท่ากันเลยมกนถังจะนปได้ ได้จะได้ดีจะได้ดับได้ทั้งทีทั้งวันอากาาได้อย่างหนึ่งไม่นก็จะดับไม่ได้ขาดปัญญาก็ดับไม่ได้ขาดอุเบกขาดับไม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะขายมีท่างนี้อาค่ะที่ตอนนี้กําลังติดอยู่ค่ะบางก็เลยว่าอืพยายามทําสลับกันสมาสมาธิกับปัญญาอุเบกขากับปัญญาสลับกันค่ะอาจารย์ค่ะ ผมก็มีเท่า น, นี้ค่ะท่านอาจารย์ทไปเรืยกแล้วกันนะใจะเย็นๆข่ะบ้านาจารย์กลับขอบคุณค่ะคุณแนนจากอุดรนกลันา ม, ามัสการนะคะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะไปที่คุณนรนาพัฒต่อนันพาพัฒน์อยูที่กรุงเทพกองธรมกลับนมัสการเจ้าข่าวพระอาจารย์ อ่าพรุ่งนี้ลูกจะออกเดินทางไปเขาไปพักที่บ้านพักบนเขอชิโอนเจ้าขาอาจารย์อ่าลองดูครั้งแรกรครั้งที่สองเจ้าข่พาร์า แ, แต่ครั้งนี้ได้ได้แค่สองคืนคือพอดีมีเพื่อนที่ทํางานไปด้วยก็เลยต้องตามความสะดวกเขาเพราะเขาขับรถให้เจ้าขาพาจารอ์อ่าดีกว่าไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะลูกก็คิดอย่างนั้นว่าก็ดีกว่าไม่ได้เลยแล้วก็กลับ ขอเรียนถามพระอาจารย์นะคะถ้าเช้าวันหนึ่งลูกมีโอกาสไปใส่บาตพระอาจารย์ที่วัดมันจะขออนุ ญ, ญาตได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือต้องอยู่ที่ที่พระถ้าไปปีพิ้วเมฆยาวนี่ว่าไม่โอกาสเลยนี่เป่างานทําบุญใส่บาตบุญมันน้อยกว่าการหยิบปีกิว้วเมฆคนเดียวบุญต่างกันอย่าสละบุญมากมาหาบุญน้อยอย่าเอาแบงร้อยไปแรกแบงยี่น <laughs> ั่นแหะขาดจุด ถ้าถ้างั้นก็ก็คือจะได้จะได้มุ่งเอาไว้เวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วมาทําบุญอย่างนี้นก็เอาแบ่งค์ยี่สิบเอาเอาแบ่งคศูงย์ในแรกแบงยี่สิบเนี่ยก็ไม่ขาดทุน<า>ได้กำไรแต่ถ้าเราปฏิบัติทำแล้วอย่าย้อนกลับมาทำชาช่วงที่เราปฏิบัติทำอ๋อเจ้าขาพ่อจารันมันจะมันจะขาดทุนค่ะลูกๆกก็เลยกลับเดียนถามอาจารย์เพราะลูกก็นึกอยู่เหมือนกันเจ้าข่าวว่า ก็ต้องสละเวลาเดินทางไปมันก็เสียเวลาเภาวนาด้วยเจ้าค่ะใช่แล้วมาพบปะยุบเสียงเก็บแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งขึ้นมาค่ะค่ะได้ค่ะมาจากถ้าเก็บตัวแล้วต้องพยายามเก็บไว้อย่าออกมานอกจากมีเหตุจําเป็นสุดวิสัยถึงก็อยออกถ้าไม่มีเหตุก็รอให้เวลาคบก่อยค่อยออกนะแล้วก็มา สายบาทนี่วันหลังก็ได้สายเมื่อไหร่ก็ได้สายที่ไหนก็ได้ไม่สายก็ไ ด, โไ ด, ได้โอนเงินเข้าบัญชีก็ได้ทําได้หลายรูปแบบด้วยกันอ๋อโอนเงินลูกโอนเดือนโอนแทุกเดือนอยู่ลรสักครั้งก็อยู่แล้วค่ะพอแล้วอนเราก็เหลือกินอยู่แล้วไม่ขาดหมดอยากขาดแค่ไหนโอเคแล้วค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ลูกงี้เท่านี้จะผ่ า, านนันภาวนระวังฉุกเฉินนั่นหรอเพราะเดี๋ยวไปทําผ้าป่าหน่อยเดี๋ยวไปทํากระถิ่นหน่อย เดี๋ยไปร่วมวันงานวันเกิดครูบาอาจารย์ซะหน่อยเนี่ยถูกที่เลาแล้วถ้าเป็นนักภาวนาทำไปปิดวิเวกนะแล้วนะตอง อ, อกมาเนี่ยแสดงว่าถูกหลอกนะแต่มันดีสําหรับคนที่ไม่ไปปิดวิเวกคนที่นั่งดูหนังฟังเพลงเอเนี่ยไปทําบุญดีกว่าคนนี่จับไปทําบุญดีกว่าอยาไปงานกระทิ่งานท่าป่านี้กว่าดีกว่าให้นั่งดูหนังฟังเพลงกินดื่มกันเฮฮาปา์ตี้กัน มันต่างกันไงค่ะวันนี้อยู่ต่ำระดับต่ำต้องดึงขึ้นมานดึงขึ้นมาทําบุญแต่พวกที่อยู่ระดับสูงไปภาวนาแล้วอย่าเดินมองมาต่ำค่ะค่ะพูดให้ฟังให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะเราส่วนใหญ่มากชัดหลงใหญ่ใครเห็นหน้าปฏิบัติถ้าโมยถ้าเริ่มภาพป่าถ้าถึงเงินทั้งทั้งที่ตัวเองมาเปรีวิเวกแล้วยังบางคนก็ยังค่ะเข้าใจสิค่ะพ่อจ๋า คกิเลสหนอกิเลสนะชารมชันท่ามันอยากจะออกเมันอยากจะออกมาหาลูกเสียงกีเลสมันก็หาเหตุหอพอมีเหตุมีงานบุญก็เลยเอ้าวแล้วว่าได้ออกแล้วกูต่ดเข้าไปเพื่อเพื่อปิดกั้นไม่ให้กิเลสมันออกมาทาตออาหูจมูกนิ้วกายจะนั้นจับมันมัดาจะฆ่ามันได้ ถ้ามัออกมาทางรูปเสียงกิ่งก็ตามจับยากค่ะนั่นดีไม่ดีนก็พาเราไปทะเลาะบอกแว้งกับคนนั้นคนนี้เด็กทาให้กระชายเศร้าหมอว่าพูดขึ้นมาโอเคอาจารย์นะเข้าใจเจ้าค่ะอาจารย์วันนี้รูปนี้เท่านี้เจ้าค่ะกา็ขอพระกุศลอาจารย์ทุกท่านคุณเอสเอสไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเิ่งข้ามาแรกครับอา ก่อนว้ำัชฌาย ก, การค่ะอ่าอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์เข้าเข้ามาครั้งที่สามนะคะวันนี้ค่ะชื่อสูงสุดานะคะ ร, ระอาจารย์มีคําถามอะไรไหมมีคําถามค่ะพระอาจารย์พอดีอยากจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะพระอาจารย์เออคือก่อนหน้านี้รู้สึกฝึกภาวนาจากหลวงครูวิาจารย์วัตต์นิท่าน ท่านละันไปแล้วนะคะตอนนี้เอตอนที่ฝึกเนี่ยเราเราฝึกกับขันห้าได้ ร, ร, ร, รู้ที่จะเรียนรู้ก่ายเวทนาเช่นครับอาจารย์แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจิตเรามันมีอารมณ์มันยังทุกกับอารมณ์ก็เลยตอนนี้รู้สึกอารมณ์เป็นปัญหาครั้งที่แล้วพระอาจารย์แนะนําว่าอารมณ์ก็เหมือนเวทนาก็คือมันเป็นไตรลักษณ์ใหเ้เราบังคับไม่ได้ก็แค่รอให้มัน ตอนนี้ก็เลยใช้วิธีฝึกแบบนี้อยู่ค่ะพัจันก็ตามรู้พอมีอารมณ์แล้วก็พยายามตามรู้ก็ถ้าลมถ้ารู้บางทีก็ดับแต่ถ้าอารมณ์แรงๆเนีย่ยโกรธก็จะชั่วทอิ่อ น, นใช้ใ ช, ใช้สติใช้ใช่นะชอช่าชปใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใช่ใช่ใใช่ใช่ใช่ใช่ใ บางทีมันเราไม่ไหวมันทรมานนะทีนี้คำถามมันได้ทีนี้พอใอรไปเทียบกับเวทนาถ้าถ้าจะไม่ไม่อยากมีอารมณ์าวานี้มันต้องฝึกยังไงคะอาจารย์ก็ต้องมีสติมีปัญญาทํำจิตให้เนื่งไม่อารมณ์มันเรรกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตนะถ้าเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้อารมณ์มันก็หยุดได้ แต่เวทนาทางร่างกายเราไปหยุดกันไม่ได้ ม, มันสิ่งที่มากับกายมันเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนกินข้ากาันแต่อารมณ์นันใจเราความโกรธความโลภความหลงนี้มันเราสามารถดับมันได้ว่ามันเกิดจากความคิดปรุงแต่งความใจเกิดจากกิเลสตัณหาโมหะกิริชาทีนี้เออพอดีท่าท่เวทนามันเราเห็นเวทนา ก็ต้องปล่อยสันมันเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บประหยัดประหยัดให้มันหายเจ็บเพราะมันจะไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งควาอยากจะไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกอันนึ่งซึ่งจะทําให้เราทนไม่ไหวไม่ใช่ความเจ็บไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทนไม่ไหวแต่อารมณ์ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปมันตัวที่เราทนไม่ไหวมันทุกข์มากทรมานมากค อทีนีป้ปัญญเ ค, เคยเคยนั่งสมาธิ่ต่อสู้เวทนาขนาะจนมีครั้งที่พอเรามีแต่เวทนารู้แต่เวทนาเฉยๆพ่อพ่ อ, พอเหมือนไมิได้ทีที่ใจมันขยับไปคิดมันแว บ, บเดียวค่ะอาจารย์เราก็เลยเข้าใจออกเวทนามันอยู่ของมนันใจเราไปคิดก็เลยอยากให้มันหายก็เลยทุกข์ใช่ หลังจากนั้นถ้าเราไสนใจมันเราเฉยมันก็ไม่ทุกกับแต่ทีนี้พอเป็นอารมณ์เหรอะอาจารย์อารมณ์มันเกิดนอกสมาธิสุดยางไงคะอาจารย์ก็เกิดจากความคิดเขาใช้พูดโธหยูดนั่นะอารมณ์ไม่ดีก็พดโทพูโธรพูดโทแสดงว่าเราไม่หีสติควบคุมจิตขงเราควบคุมคาิดของเรอารมณ์เกิดจากความคิดขงเราถ้าท่าสติถ้าสติดีอารมณ์ก็จะไม่เกิด อ๋อถ้าสติดีอารมณ์ก็ไม่เกิดจะเฉยจะเย็นจะสบายแต่ว่าอันนี้อันนี้คือสุดที่สุดแล้วป่ะคะพระอาจารย์ก็ยังไม่ที่สุดต้องมีปัญญาถึงจะแจะไม่เกิดกันท้าวอต้องใช้ปัญญาเจนาเหตุที่ทําให้อารมณ์เกิดว่าเป็นไใจรักทุกอย่างสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสแล้วมีอารมณ์เรืยมันเป็นไใจรับเราไปอยากไม่ได้ มันต้องปล่อยให้มันตึงไปตามสภาพของเขาอย่าไะอยากยุ่งกเขาอย่าไปอยากได้เขามาทีนี้ถ้าถ้าเราจะเห็นตรงนี้ได้ได้เห็นจริงเนี่ยเราต้องเห็ม า, ามันขณะที่เกดารดขณะที่มันเกิดขณะที่เกิดแล้ว พ, พิจารณาพิจารณาหเห็นแล้วเอาลมันดับไปได้เข้าใจนะ้วค่ะพระอาจารยะะ์พระอาจารย์าาสงสัยเพิ่มนิดนึงกับเรื่องนี้นทําไมเราพอเราอยากกับเวทนา เราทุกเราอยากให้มันหายแต่เไม่ไม่โกรธค่ะพาะเจ้าแต่เวลามีคนตําหนิอ่ะเราเราอยากให้เราพูดดีกับเขาทําไมเราทุกแล้วเราต้องโกรธค่ะพระเจาทำไมเาไมมันเป็นมันเป็นวัตรุภาลัญชีน์ไงมันเป็นวัตถุภาลัญชีน์เวทนาเราลุ่เวทนาเราโกรธมันไม่ได้แล้วก็เลยไม่โกรธมันไม่มีตัวตนแล้วมันไม่มีตัวตนแต่แต่คนเนี่ยที่ทําให้เราทุกเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่มีตัวตนแล้วก็เลยไปโกรธ แต่ถ้าเรข้าถ้าเรามองเข้าว่าเป็นเหมือนเนาเราก็ไม่กดครับเขาก็เป็นดินน้ำลงไปเราก็ไม่กดอันนี้เขาา้าใจเข้าใจแล้วค่ะพ่ะอาจารย์แล้วก็อีกคํำถามหนึ่งค่ะระอาจารย์พอดีช่วงนี้คิดกับอารมณ์เยอะก็เลยไปนึกถึงตอนที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่านั่งสมาธิแล้วตอนที่เราว่างในสมาธิพระอาจารย์พระ้า วันที่สติเรานิ่งจดจ่อเนี่ยมันจะดึงให้เราเข้าไปเหมือนสภาวะที่เป็นอวกาศใช่ไหมพ่ะย่ะจ๊ะใช่สภาวะเพราะตรงนั้นอ่ะว่างมันมันเลยจางว่างเนื้อแต่รูเนื้อแต่รู้เนือแต่รู้ใช่แต่ตอนที่เข้าไปครั้งแรกพอมันอยู่สภาวะรู้ไม่มีการไม่มีธนานานาเราตอนที่จุหออกมาเรายังมีอารมณ์กลัวว่เอะเราอยู่ที่ไหนจะกลับร่างกายยังไะ S <S ก็แสดงะ่าเราเริ่มปรุงแต่งแล้วกิจเริ่มปรุงแต่งขึ้นมาเริะมไม่สงบแล้วเริมไม่สมบแล้วสภาวะแม้เราจะนั่งสมาธิสูงสึกมันมันสภาวะที่รู้อย่างเดียวก็ยังมีอารมณ์ได้คนะพันธุก็ถ้ามันมันไม่มีอะไรคุมมันไว้มันก็คิดได้มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่ถ้ามีสติที่กําลังมากมันก็ไม่คิดไม่ปรุงแต่มันก็จะเล่งเฉย ก็คือสําคัญที่สติใช่ไหมคะใ่พ ะ, ะอาจารย์แล้วส่งข้อนี้แต่ น, นี้ถ้าตอนเราตายเราไม่มีกายก็ไม่มีเวทนาใช่ไหมคะไม่มีทางกายแต่ก็ยังมีอารมณ์ทางใจยังมีอารมณ์อยู่ 5, ค่ะพระอาจารยก็ยังคิดปูแต่กได้แม้ถ้าแม้เราตายแล้วก็ยังตายแล้วก็อยู่ในโลกของความฝันฝันดีฝันได้ออืก็คือต้อง ก็นอนนอนนเหมืนตอนนอหลับเวลาเราตายก็เหมือนตอนที่เรานอนแหละยังมีอา ร, รมณ์เวลานอนหลับจิตของเราก็ยังมีอา ร, รมณ์ได้ฝันได้ฝันดีฝันร้าย ด, ดีใจเสียใจได้ในในในระหว่างที่เราฝันถ้าไม่อยากจะมีอา ร, รมณ์ี่ก็ต้องที่พระาจารย์มีสติมีปัญญาถ้าทําได้ตอนนั้นถึงตายถึงตายไปเราก็จะอ ไ, ไม่มีอา ร, รมณ์ <ทำ S 1> ไม่ไ ม, มีอะไรว่างตลอดเวลาเป็นอวกาศตลอดเวลา เอาใลค่ะพระอาจารย์ตายความสงสัยได้มากค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติให้ถงกันแล้วกันนะยังมีการเปียนสัญญายังไม่เป็นปากจริง <ương quan> ขอบคุพระอาจารย์่โอเคเชิญคุณสุพัฒนาตอบอว์วินเหมือนกันับคุณออนเวบวมีการเคยเจอกันหร่าเนะไม่เคยนะฮะไม่เคยค่ะมากราบพระอาจารย์นะอาจารย์ ก็ขออนุญาตขออนุญาตเอ่อทวนท ว, น, วนความเข้าใจของของท่านโยมเมื่อสักครู่นะเจ้าค่ะอาจารย์ที่เวลาเรามีเวทนาในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิเนี่ยเคยเคยเอ่อเคยถามพระอาจารย์ถามถามย้ำอีกทีนึงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเกิดเวทนาเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องไปนั่งรอดูจ น, นจนมันหายหายปวดเราสามารถที่เราจะจับจับจุดอื่นที่มันมันไม่เกิดความรู้สึกตรงนั้นได้ใช่เจาค่ะ ถ้าเราไปมองมันบางทีมันก็จะทําให้เราโอนผลที่จะอยากให้มันหายไม่ได้เพราะอยากให้มันหายก็เลยเกิดอารมณ์คือความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่ไปสนใจมันอยู่แบบพุโทโธพุโทโธไปมันก็ไม่เกิดอารมณ์ทําใจใจก็ว่างเย็นสบายนะคะเข้าใจนะคะก็คิดว่าจะต้องมานั่งรอดูนจนหมดดับไม่อันนี้ไม่ไม่จำเป็น ไม่ไม่ยอมไม่ต้องไปสนใจให้เจ็บนั้นสงบตัวเดียวออกส่วนเวทนามันจะดับหรือไม่ดับดับช้าหรือดับจะไม่ใช่เรื่องของเราไปันคับมันไม่ได้แต่ใจไม่บังคับให้มันสงบได้ด้วยสติด้วยพุทโธถ้าใจสงบแล้วเวทนาจะไม่มากรบกวนใจและไม่สะเทือนใจเข้ามากราบพระสารแล้วก็มาขอฟังธรรมจ้ะค่ะ นะใช่นะทุกแจนคือมาลีตามาลีจากท่านทั้งที่ทำบุญผ่าคุณหลานก็ขออนุโมทนาด้วยนะบางทีหนึ่งหนึ่งแจ้งให้ทราบขอรับการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อค ะ, อคะเออถ้าสมมติว่าเราฝึกแล้วเนี่ยมันมีมีสิ่งที่มันมากระทบจิตเราแ ล, แล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยเราจะใช้ปัญญาเนี่ยคะ่ะมัน เพื่อที่จะมามามาดับที่ตรงเนี้ยค่ะแต่ว่ามันยังไม่ไวพอที่จะไปทําการมากนั้นก่อนมันนั่งไวไม่ซ่อมชกก่อนบอกเป็นไปกันโดยเขาลุยยับขึ้นมาก็กันไม่ได้แต่ถ้าซ่อมนั่ก่อนพอพอจะยัเข้ามาเราก็กัดได้ีมันมันตัดได้แต่ว่าสมมติว่าแทนที่จะตัดทันทีเนี้ยถ้ามันอาจจะคอดเวลาไปตั้ หนาทีสิบนาทีย้อนลับแสดงว่ายังไม่ได้ทำการมากการบ้านมายังเอามาทําการบ้านในขณะที่จกออะก็สอบแบบงันก็ช้าแล้วแล้วอย่างนี้เราจะเพิ่มยังไงคะให้ให้มันาพิจารณา เ, เรื่ๆว่ามันไม่เทียนทุกอยางไม่เทียนไม่เมื่อไรแน่นอนอยากได้หวังให้ยินดีตามมีตามเิดมันก็จะมันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยพลาด เรามาักเขียนหมายมาัม่นเสมอว่านัด ก, กับเขาแล้วเวลานี้ต้องมานั่นให้เขามาพอเขาไม่มาเราก็หัวเสียขึ้นมาถ้าเราบอกได้คนนัดไปอย่างนั้นมันจะมาไม่ม า, มม า, ากายหรืเรื่องไม่ได้หวังนะไม่ได้หวังให้เขาต้องมาตามที่เขานัดคือผลไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบเราเราต้องไม่ไม่ปล่อยให้มันมากระทบกับใจเราใช่ไหมอันนี้ อยู่ดี ๆ, ดดๆมีคนำนำเงินมาให้ก็ไม่ต้องไปดีใจค่ะมันพอดีมันมีนิดหน่อยค่ะของพ่อมันมันตัดมันตัดได้ช้าค่ะของพ่ออย่างอย่างเราไปเห็นภาพเห็นข่าวที่น้องคนหนึ่งเขาโดนทำร้ายจนเหมือนหน้าตาี่กนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลงพ่อมันเกิดความรู้สึกทุกเศร้าสงสารเขาอยู่ในใจแต่ กว่าเราจะเอาเอาปัญญามาตัดตรงเนี้ค่ะหลวงพ่อ ม, มันช้าไปอะค่ะมันเราต้องลองให้ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วไม่ทําการวาดมาก่อนว่าเหการณนี้ย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะหลวงพ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วอย่างนี้ยแปลว่าสติเราก็ยังน้อยอยู่หรือเปล่าคะทั้งสติทั้งปัญญาเนี่ยการัวปัญญาตัวสําคัญแต่ปัญญาก็มาแส่สติเป็นตัวเน้นให้มาคิดทางปัญญา ถ้าสติน้อยก็คิดทางปัญญาได้น้อยถ้าปฏิสติมากก็จะคิดทางปัญญาได้มากแล้วสติกาติเลหมันจะดึงความคิดกันไปถ้าสติอ่อนกําลังกิเลห์ก็จะเดึงให้คิดไปทางทางกิเลหทาง ส, ยสวยๆงามๆทา ง, ทา ง, ท, างทางอะไรดีๆอย่างนี้แต่ถ้าทางปัญญาถ้าสติมีกําลังมากไม่จะลงมาคิดทางปัญญาว่าไม่มีอะไรจะดีนะไม่มีอะไรจะสวยนะ ยังน่าท้อใจน่าขหน้าเสียดน้ากลันแล้วแล้วอย่างเนี้ยอย่างอย่างที่ที่หนูเห็นภาพเห็นอะไรเนี้ยค่ะหลวงพหมายถึงไม่ได้ในสมาธินะคะคือหมายถึงเห็นสิ่งที่มันมากระทบอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่แล้วพอผ่านไปสัก5นาที10นาทีมันเหมือนมันบอกว่าเออเราจะไปพูดกับเขาทําไมในเมื่อมันเป็นกรรมของเขาเขาก็ต้องรับสภาพไป มันคือมันไม่ทันทีแต่ว่ามันเหมือนทอดเวลามาหน่อยหนึ่งแล้วพอพอจมันบอกจิตอย่างเงี้ยข่ขอลวงพ่อมันก็สามารถตัดตัดได้ขาดแต่ว่ามันช้าไปคราหน้ามันไม่จะเร็วแล้วเพราะมันมีประสบการณ์คราวหน้ามันจะไปทุกข์กับเขาอะเอ๊ะมันเร็วของเขาเป็นกรรมของเขามันจะเร็วขึ้นมันต้องมีมีมีการกระทํำมากกว่าถึงจะทําให้มันเร็ว เนี่ยถึงต้องซอมเนี่ยต้องจําเราเหตุการณ์ต้องจินตนาการบ่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นจะเป็นยังไงถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมาก็คือต้องฝึกฝึกฝึกคิดทำปัญญคิดถึงความความเสียหายความความเดือดร้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากับเขาหรือกับใครก็ตามถ้าไม่คิดเดี๋ยวมันก็ต้องมานั่งนั่งพิจารณาตายด้านขอนออมันไม่เที่ยมออมมันเป็นอนัตตา แต่ถ้าเราคิดไปก่อนแล้วก็ไม่ตม้องไม่ต้องมานั่งคิดเหรออ่ามันเป็นอย่างงี้แหะชีวิตมีเกิดมีรองมีดีมีชั่วทุกคนขึ้นอยู่กับบูญกับกรรมขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทางธรรมชาติด้วยอันนี้ตทำ เ, เป็นการทางธรรมชาติมันโดดเดือดทุกวันอะไรเงี้ยภูเขาไฟเราเปิดแผ่นดิ น, ล น, นทล่มน้ำท่วมอายุเดี๋ยวบ้านเราจะต้องโดนอะไรทั้งลูก พ่อเขาสัญญาณก็มักจะเจอน้ำท่วมใช่ไหมปีนี้ก็ท่วมกันหลายเนี่ยค่ะพ่อมาอีกอีกค่าวขาวค่ะของพ่อแล้วสมม <Ashley> ุติ mm hmm. ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ติดลบหรือว่าลดลงอย่างเนี้ยค่ะมันยังอยู่ที่เดิมความว่าลดลงของหนูคือหนูยังปฏิบัติเหมือนเดิมไม่ได้ละทิ้งแต่ว่ามันมันน่ามันยังไม่ไม่มากไปกว่าที่ ที่ควรจะเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อก็แสดงว่าเราปฏิบัติเท่าเดิมมันก็ได้เท่าเดิมถ้าอยากใช้มันเจ้าหน้ามากขึ้นก็ต้องค่อรยรปฏิบัติให้มากขึ้นซึ่งอาจจะทํำไม่น่าเพาะต้องเาเวลาไปทำํำนานนี่ปฏิบัติเพิ่มมากถ้าอยากปฏิบัติมากขึ้นก็ต้องไปอยู่วัดสักสามเดือนนจะเห็นผลแตกต่างกันเยอะนะตอนนี้ยังเป็นแบบมือสมัครเล่นซ้ำได้แต่เฉพาะวันหยุดวันเวนลาว่า แต่ถ้าเป็นมืออาชีพก็ไม่ต้องทํางานนะอาชีพปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่เป็กจนหลับมันก็ปฏิบัติได้มากกว่าคนมันก็ต้องมากกว่าเป็นธรรมด า, าตอนนี้หนูมีคาถามค น, คนปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปก็จะรู้เองว่าต้องไปบวด น, นะต้องไปอยู่คนเดียวนะถ้าอยากจะก้าวหน้ามากกว่านี้พรมันถูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ในกระถางต่อไปต้นไม้ในกระถางมันก็จ ะ, จะ ล่างมันก็จะเป็มกระถามดินมันง่ายจะหายหมดมันจะโตไปก่อนี้ไม่ได้ต้อเราลงดินเคยเห็นในสังเกือนเ่อต้นไม้ลงต้นที่เราปลูกในกระถางมันโตไปไม่ได้มันก็กินดินไปหมดนะแล้วมันก็จะโตไปกว่านั้นไม่ได้ถ้าอยากแท้มันโตกว่านั้นก็ต้องเอาไปลงดินการไปบวชก็เหมือนเอาต้นไม้ที่เราปลูกในกระถางไม่ลงดิน ไปปฏิบัติในบวชไปอยู่แบบนั่งปฏิบัตินั่งบวชก็สรุปก็คือหลวมาทางนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่รู้เหรอมาลงกี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วเนี่ยมาที่นี่หมายถึงว่าคือจิตมันตั้งใจไปอยู่แล้วต้องอไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวแม้ว่าใครจะมาชักนะัจูงว่า ก็ถูกแล้วไงก็ถูกแล้วไงถ้ามันถามยากทำไมเราต้องนักปฏิบัติน่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ถ้าเราไม่มีใครมาคอยตอบคำถามนี้น่าเราใครจะบอกเราได้ทันทิฏฐิโกนะปฏิบัติทันทิฏฐิกรอยากได้าถ้ามีครูบาอาจารย์ยืนยันก็ดีแต่บางทีมันไม่มีทํำยังไงอเราก็ต้องยืนยันตัวเราเองคพราะพระจุทธเจ้าถ้ามีใครมายืนยันล้วไปถูกทางไม่มีมีทําบอกไปผิดทางนั่น ไปไปอดหายนก็ไปผิดทางพอเริ่มกอดหายก็ไปผิดทางพ่ะพุทธเาจ้าเขาไม่ฟังใครท่านฟังตัวท่านเองท่านใช้เหตุใช่ผลวิเคราะห์อเอาทางไหนไปแล้วจิตสงบมันทางนั้นถูกทางมั้ยนมันมันดูแล้วคนรอบข้างคนในควบครัมันจะเหมือนว่าเขาจะมองว่าเราอะเหมือนห้ามไม่หยุดจุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ มันมันแบบมันหลุดออกไปจัดในวงนู่นนี่ข้างล่างมันขึ้นเขาแตลามันอยู่คนร ะ, ะ, ะดับนั้นระดับนักมวยเขามป็นระดับคนดูระระดับกองเชียร์ระระดับนักมวยแล้วก็จะเข้าเวทีเรื่อยๆเขาบอกอ้ยเราทํามากไปแล้วมันต้องไปขึ้นเวทีดูนั่งดูเฉยๆก็สนุกใช่ค่ะเมื่อไม่เกียรี่หนุกก็โดนโดนตํำหนิว่า ต่อไปก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยใช่ไหมก็บอกก็ไม่ไปแล้วจะไปวัดก็มี ม, มีประเด็นเล่นหน่อยค่ะหลวงพ่อเพราะนั่นแหละเป็นคนละทางเขาไปทางเราไปทางอย่าไปเถียงง่ายเสียเวลาลทางใครทางมันก็แล้วันค่ะหลวงพอ่อวันนี้หนูมีเท่าเนี้ยค่ะหลวงพอ่อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะสาธุคุณธรรมวันเชิญสักสามเส้น นมาส ก, การเจ้าค่ะพระาอาจารย์โยมโยมน้อมเข้าในตัวเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาคือเรื่องอนัตตาเจ้าค่ะโยมคิดว่าตัวเองเป็นศพแล้วเผาออกมาเป็นเท่าเท่าไปไปบดให้เป็นผงแล้วปลปรยไปในอากาศมันไม่เหลืออะไรเลยมันก็เป็นดินอนะ่ะ ม, มันผงแล้วมันก็แบบไปตา ม, ม, มาอากาศ นันมันไปมันกระจายไปแต่มันก็ยังมันก็ยังเป็นดินอย่างนั้นค่ะอ๋อใช่เจ้าค่ะมันยังเป็นธาตุดินใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นธาตุดินแต่ว่ามันเมื่อเรามันมันละเอียดมันมันก็เลยกระจายไปแต่ไม่ได้หายไปนะทุกอย่างเมืันกับกืนสู่ธาทั้งสี่ไปก็ออกจากร่างกายไปเวลาตายพวกร่างกายก็เย็นนะเจ้าค่ำเมื่อค่อยๆไหลออกมาถ้าปล่อดที่เมื่อไม่ไปเผาน้ำที่อ่ร่างกายมันจะไหลออกมาตามรูต่างๆอืม อีกเรื่องหนึ่งเจ้าคะเมื่อวันอาทิตย์ยมฟังยูทู e ของคุณหมอวีนะคะเรื่องสัมเพทธรรมาอนัตตาพอยมฟังไปจนหมดแล้วสรุปว่าตัวรู้มีการมีการธาตธาตุทั้งหมดตัวรู้หรือวิญญาณมีไหมเจ้าคะตัวรู้คือธาตุรู้ไงธาตุรู้ก็ยังมีอยู่มีอยู่ท้งอย่างดินน้ำลงไปก็มีอยู่ เวลาเรา ม, ามารวมตัวกันแล้วมันก็ต้องยากออกจากกันก็คือดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็วิญ ญ, ญาณธาตุที่อยู่ที่อยู่ตลอดเวลาแล้ ว, ล ว, ลวลเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัววัสดุก่อสร้างที่เรามาสร้างบ้านอยะไรนี้แล้วก็เอาเหินเอาเอาทรายเอาปูนอะไรมาผสมกันสร้างเป็นบ้านเดี๋ยวเวลามาาันทําไปก็ยากกลับเคืนไปสึกสภาพของเดิมใหม่เจ้าค่ะ ไม่มีวันหายท่าทั้งหกนี่ไม่มีวันหายสิ่งที่หายก็คือสิ่งที่ท่าทั้งหกมารวมตัวกันม า, มากระอบสร้างให้เป็นร่างกายของสัตว์ของมนุษย์เป็นร่างกายของต้นไม้อะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวเม่อแยกหยหลักันไปกลับขึ้นสู่ที่เดิมเจ้าค่ะเช้านี้เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนในคําตอบเพื่อน ไม่มีไม่อยู่นะไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะเราไปคิดขึ้นมาเองนะค่ะตัวคิดมันคิดขึ้นมาเองแล้วก็หลงตามความคิด น, นั้นเจ้าค่ะถ้าเราไม่แยกแยะอ้างกายเราก็จะคิดว่าอวัยวะเป็นตัวเป็นตนนั่งได้ ก, ก็เหมือนเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาที่ทเขาทาเขาก็เอาวัดสดุต่างๆมามามาทำและมาปั้นขึ้นมา เทีนตุ๊กตาในโรงโรงโรงโรงโงานที่เขาอามาขายแทนเด็กเนี่ยก็มีพลาสติกมีโน่นมีนี่มีสายมามาทําให้เป็นตุ๊กตาขึ้นมาเจ้าค่ะร่างกายล้วก็เอาวัสดุคืดินน้ำลมไฟมาผสมกันมันก็กลายเป็นนร่างกายขึ้นมาเจ้าค่ะยังนงทุกวันนี้เราเอาเอาลงเข้าไปหรือเปล่าเอาน้ําเข้าไปหรือเปล่าเอาดินเข้าไปหรือเปล่า เอาไปเสริมไม่เติมอยู่เรื่อยถ้าไม่เสริมไม่เติมมันก็จะโตไม่ได้แล้มันจะหยู่ต่อไปไม่ได้ถ้ามันขาดของเก่าที่มันมีอยู่มันเสริมมันต้องมันต้อเปลี่ยน่เียของเก่าเราก็กลับถ่ายออกมานาาาออมา้ําแล้วก็ถ่ายออกมาดินแล้วก็ถ่ายออค่ะไฟมันก็ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไฟเข้ามาแล้วไฟมันก็ออกไป ลมก็ามามันก็ออกไปมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในร่างกายของท่าตทั้งสี่ขอมันแล้วพอมันหยุดทํา ง, งานครับมันก็ยายกขอกไปกันหมุนแต่เนือแต่ที่เท่าทำใบพเว้กันเลยแต่ที่เท่าใช่่ะนะสรุปก็คือไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเร า, าถ้าตุรู้ก็รู้เฉย อย่าคิดถ้าคิดปั๊บมันก็ไปคิดว่าเป็นตัวเราขึ้นมาท่านให้รู้ทันตรงนี้ก็แล้วกันค่ะขอบพระคุณด้วยค่ะทันสังขารมงคั่วให้รุ้ทานสังขารใหความคิดปลี่ยแปลงค่ะโอเคท่านต่อไปคุณท่านน้ำฝนอยากขอธรรามนิมมัสการ ค, ครับอาจารย์คุณตาเหรอคุณปานะคไหมะ <laughs> ปาร์รเจโน <c oughs> ่ปาร์ ม, มิชาปาริชาปาวีนาครับปาวีนาครับมีคําถามอะไรไหมของผมไม่มีครับไม่มีคําถามค่ะปะยาปฏิบัติสอนเรื่องจเจ้างนะ้าอย่าหยุด น, น ะ, ะพักบ้างก็ได้ท้ามันไม่ไหวช่วงเราพักได้แต่อย่าเลิกก็แล้วกนะัน ตอนนี้ค่ะตอนนี้คือพยายามทำจิตใจให้ปร่งใสยอยู่เจ้าค่ะโอเคได้ใส่ชุดไทยโปงสตลอดเวลาเนี่ยค่ะคุณบิวเตอร์เชิญได้นับประเ่านาคุณยาแล้วนะนะครับค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อสวัสดีค่ะบัดอนตอนนี้ เ, ยเรยั่งอยู่ภูเก็ตตอนนะ่ะยังมาไม่ได้ใช่ค่ะ งานเข้าอ่าดีเข้างานก่อนดูนี่เข้าทีหลังแปลว่าไม่มีปัญญาค่ะแบบะมาณแต่เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ก็เออจะไปที่ใกล้ๆก้ก่อนนะคะแอบไปที่เออตะกัวป่าก่อนอะไรแบบเนี้ยคืออยากอย่างน้อยหาที่ได้ปฏิบัติที่สงบแบบเนี้ยค่ะเออดีเอาที่ไหนก็ได้นะค่ะค่ะใช่ค่ะ จะได้มีบางทีที่บ้านเราก็ได้หาห้องทักห้องมาค้งตัวอยู่ในห้องสักสิบชั่วโมงนะคะอยู่กับใครออืถ้าเป็นที่บ้านก็ได้ที่บ้านก็ได้ถ้าเรามีห้องไรห้องว่างๆอยู่ห้องนึงเราก็เก็บตัวไปอยู่ในนั้นก็ได้อยู่ที่บ้านเรารู้สึกบรรยากาศมันเผอให้ทํางานอ่าใช่เราต้องิใจแข็แล้วต้องห้ามใจ ตอนนี้เราจะเข้าวันแล้วเราจะไปปิดไม่เม้งห้องปิดไม่เว้ก็เข้าไปเลยก็เลยจะเออเลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ตะกัวป่าค่ะก็อย่างน้อยให้ได้ทำอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้ามีที่ไปก็ดีค่ะแเรวก็สงบกว่าได้ค่ะหลวงพออ่อขอบพระคุณมากเจ้าค่ะโอเคที่คุณหมอสุรเนนะีที่เรายอมให้อยู่ที่ประทมรมกยยังไง ว น, นี้ลูก อ, อยากกราบถามเรื่องเดินจงกรมเจ้าค่ะ่วาาถ้าเราใช้พุโทโธเป็นที่ตั้งของสติช่วงเวลาเราเดินไปจนสุสดทางเดินเจ้าค่ะพระสันธารในช่วงที่เรากําลังจะหมุนตัวเจ้าคะ่ะช่วงนั้นเราหยุดพุดโทโธหรือว่าพุโทโธพุโทโธต่อไปเลยเจ้าค่ะพุโทโธต่อไปได้ตลอดเลยไม่ว่าจะอยู่ในเรือบนไหนเดินยนั่งนอนหมุนซ้ายหมุนขวาก็พุโทโธได้ ยังูเข้าใจแล้วัคะ่ะอย่าหยุดพูดโทให้พุดโทต่อน่ยัขาดตอนอเวลาช่วงขาดตอนในบางทีเดี๋ยวความคิดมันแทรกเข้ามาหนึ่งไปได้หมดค้ัคะคุณหมอนันวุฒิจ่มหมอรัต น, น, นวุฒิไม่ได้อเยครับครับ อันนี้เข้ามาฟังธรรมครับนะยังไม่มีคาถามไม่มีคาถามคับเดียววันศุกเสารทิตนี้แวะเข้าไปที่วัดครับไปเข้าไปปิดไปไปวิเวกครับผมคคุณมอมอีเชนรกล่าวธรรมสการครับพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมวันนี้ขอวันนี้มาตั้งใจมากล่าวพอาจารย์แล้วก็มาฟังธรรมครับผมไม่มีคำถามไง กับช่วนี้ก็รู้สึกรู้สึกได้คุยกับอาจารย์บ่อยเรารู้สึกพภาวนานดีครับอาจารย์ครับอวันเลยต้องเข้ามาเติมพลังครับธรรมสากัะชาเอตมังกรามิตรหมังพระเจ้าบการสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งกับผมเวลาจะได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมแทนที่จะไปฟังเรื่องขโลกเรื่องธรรมโ่กมันก็ทำให้เราคิดพุ่งไปทางโลก คิดไปในทางทํามันก็ทํำให้จิตเราเข้าทางในครับไอ้นั่งสมาธิทุกวันครับอาจารย์ครับบางวานก็นั่งเป็นชั่วโมงครับอาจารย์ครับดีมีการปฏิบัติให้มากๆเรียนมามากนะรู้ว่านะครับผม๋ยากเป็นอยากเป็นพระปลายงปล่านะพระภูทิลักษณครับผมเดี๋ยววันที่ที่หนึ่งมกราได้ไปขึ้นเขาแล้วครับอาจารย์ครับ เมื่อเช้าถามพาะพระท่านหวงว่าติดตามมานะครับผมลองดูนะเราจะติดใจครับจริงไหมครับาจารย์ตกใจถ้าคนที่ไปน่าจะไปอยู่เดี่ยวนะหมอรัตวุลกลับไปทุกเดือนอย่างนี้ครับผมครับมีทั้งสองที่น้ำท่าภรรยาอยากมาด้วยกรับมีที่ข้างล่าง ป่ามที่เตรียมเขาก็สหรับพวกสภาพสตรีอยู่เขาของเขาก็สำหรับพระกับผู้ชายครับหลงพี่ปั๊บท่านบอกว่าเตรียมไว้ให้ทั้งสองแบบเลยครับทั้งแค่ทั้งกุดให้เลือกได้ครับอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครัอาจารย์ันนิธานอาจารย์ทันนิานจาก USA s i l e r Spring Maryland น้ำพการกับพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยไม่มีคําถามค่ะเข้ามารับฟังธรรมค่ะไม่ใช่ <c oughs> ่ น, นี่นคุณจิ๊บเข้ามาเอาอยู่ขางอย่าหลายคิอ๋คุณจิ๊บอ๋อได้อาจารย์เราใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่ใ น, น, ใ, นในนี้แล้วอยู่ข้างว <c oughs> ่างโยเจอกันเลยค่ะตั้งแต่กำงานที่ไม่ได้เจอเลยค่ะจิ๊บเขามองขึ้นไปค่ะเราเราอยู่ข้องบนเขาเดี๋ยวค่อยโทรศัพท์คุยกันค่ะพระอาจารย์ แต่วันนี้โยมไม่มีเอามาเติมพลังค่ะพระอาจาร okay. ย์อเชิญทางไปได้เรื่อยนะราคาสาธุค่ะคุณนารดาเลนารดาไม่ทราบว่าจะพูดไหมห็นดีทาา่านน่งสาธุแล้วาพระุดาเพระุนดาเดี๋ยวยยนารดาหายไปไนเดี๋ยวอีกดีด็ดเดยืนั่งครับ แล้วห น, า น, านา้าจะพูดก็พูดได้นะต้องเปิดไมค์ก่อนเป็นกที่ติด ก, กันเชือ่อเข้ได้สวัสการครับอยู่ที่ไหนอยู่พิษณุโลกครับท่างการครับมีคำถามอะไรไหมอ๋อเคยไปกราบหลวงพ่อครั้งแรกมาหลายปีมาแล้วก็หลวงพ่อเคยให้หนังสือผมมาเล่มหนึ่งแล้วเล่มนั้นผมก็เอามาให้หมอวีรพันธ์ ครับหลวงพ่อก็ก็เป็นเหตุที่ให้หมอวิรพันธ์ที่เข้าได้ได้ไปหาหลวงพ่อครับอ่าได้รู้จักอ่ามีคำถามอยู่ครับหลวงพ่อครับเสียงมันไม่ค่อยชัดครับได้เลยได้ถาได้ถาได้ได้ครับพอดีขับรถอยู่ครับเดี๋ยวผมใส่หูฟังก่อนนะครับหลวงพ่อครับแป๊บหนึงนะครับขออนุญาตครับครับผมครับผมได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนมีอะไรถามได้เลย อ่าหลวงพ่อครับถ้าถ้าถ้าภาวนาเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปถึงตรงที่มันมันมันอ่ามันมันเห็นความคิดใช่ไหมครับเห็นความคิดทั้งตัวตัวรู้กับตัวความคิดมันแยกมันแยกก่อนจาการอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อครับอันนี้มันจะไปยังไงต่อครับหลวงพ่อก็อยู่ที่อยู่ชิดอย่างนันชิด แต่มันเห็นอยู่ครับมันมันมันแยกกันอยู่ครับเห็นเป็นความคิดเห็นไม่ได้ต้องหยุดมันต้องหยุดใช่ไหมต้องพูดโชพูดโชถ้ามันคิดก็ต้องพูดโชพูดโชว์หรดูมันก็คือก็คือคือไม่คือหยุดไปเลยไม่ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุงกับความคิดเพราะถ้ามันไม่หยุดคิดใจม่ไม่เร่งมัไม่สงบมันไม่มีความสุขคือมันเหมือนมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้ปรุงแต่งตโตนะครับพอ อนั่นแหละมันก็นั่งให้มันหยุดอย่าให้มันตูกแตกอย่คิดครับนคิดก็คือก็คือก็คือสติเข้าเข้าเข้ามาอยู่กับสติอยู่กับอานาปานนสติอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ให้เหลือมุตัวเดียวให้เหลือสัตว์จะกาอยู่กับความว่างไปก็คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรก็คืออยู่กับกับลมหายใจเลยกลับมาอยู่กับลมหายใจเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้ายังมีลมหายใจก็มันที่ลมหายใจต่อ เป็น ก, กว่าลมหายใจก็หายไปเหนือแต่ความว่างกาอยู่กับความว่างไปครับแล้วก็ถ้าถ้าเมือ่อว่างแล้วไปไงต่อครับพ่อก็พยายามไม่ให้ว่างไปนานๆอ๋อครับตอนนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือแต่ว่าคือจุดพักของจิตเนี่ยคือความว่างค ร, งงครับไม่ไม่เกิดปัญญาถ้าปัญญานี่ต้องรอให้ออกจากสมาธิมาแล้วมาพิจารณาถึงจะแปะปัญญาขึ้นมาแต่ตอนที่ผมเป็นเนี่ยมัน มันไม่ได้นั่งสมาธิมันเป็นทั้งลืมตาแล้วับงก็ได้บางทีบางโอกาสจิตมันก็จะว่าองออกมาขึ้นมาเอก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่บ่อยมันไม่ได้เกิดขึน้นเสมอไปรเราต้องการใหมันเกิดเสมอบ่อยๆแล้วก็ทํามต้องมาด้านสมาธิครับก็คืนเรียกว่าเป็นา น, านานทีคครรัับบ แต่เราต้องการให้ใหมันนิ่งนานๆ น, น, นิ่งบ่อยแล้วก็ต้องเข้าสมาธิตั้งปฏิบัตินั่งสมาธิบ่อยๆมันถึงจะเข้าได้ครับก็ Tout ส่วนมากจะนั่งตอนเช้าคับเพราะมันสงบดีครับตอนเย็นยัไม่คยได้นั่งเพราะตอนเช้ามันยังงา่ายกว่าเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่เรียบลมคลั่งๆมันง่ายจังครับตอนเช้าที่ลุกเป็นวันตีสามตีสี่ก็ดับลมหายใจเลยแล้วแล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงประมาณชั่วโมงประมาณนี้ครับ แต่ตอนเย็นนี้ตอนเย็นนี้คือนั่งไม่ได้ครับเพราะว่าเราทํางานทั้งวันแล้วก็มันเพียร์ว่านั่งแล้วก็พอจิตมันเริ่มจะนั่งมาจะเข้าหลับอย่างเดียวของพ่อครับก็เลยไปนั่งตอนเช้าครับคนี่นะทางานกอย่างนี้นะชีวิตทํางานนันก็ไม่ไม่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติครับยังพอนั่งได้อยู่ก็ดีตื่นเช้ามาตีสามตีสี่ได้ก็นั่งตอนนั้นดีที่สุดพราะมันเงียบด้วยครับผมครับใช่ครับ ก็ได้ช่วงเช้าอ่ะพ่อครับก็เวลาเวลาออกจากสมาธินั้นก็ให้เป็นการปัญญาการที่ว่าเจ้าสอนพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายครนอคพัดท่าจากกันเป็นธรรมดาลืมคนตไม่ได้ก็ทำอยู่ตลอดนะพ่อครับเรามีสติแต่เมื่อไหร่ก็ล้ำลึกลึกถึงความตาย วันหนึ่งอาจจะสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยเขบยิ่งยิ่งถ้าเรายิ่งเชื่ออาการที่แบบไมดีเจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็จะคิดถึงบ่อยใช่ดีคิดบ่อยๆมันจะได้ทําใจได้ไม่ไม่รังเกีไม่ต่อต้านครับครับผมถูกตอปฏิบัติต่อไปนะครับผมครับก็อยู่ก็เป็นเพื่อนกับหมอวิริพันธ์อะไรครับอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับอยู่อยู่ด้วยกันนะครับอครับอยู่ในห้องแล้วก็ คุณหมอแล้วส่งส oh, okay. exactly. okay. ่งลิงให้ผมเพราะว่าผมเพิ่งเข้าครั้งแรกครับของอครับครั้งนี้ครั้งแรกครับครับแบกครับผมเอาสองน้เสียให้คุณอคุณอแล้วงาครับครับตอบแทนคุณครับครับขับพระคุณท่านพระอาจารย์ครับครับุ่ณรุดาพรุดาพรุดาอสัตชนบรีค่ะวันนี้ไม่มีคาถามจ้ะค่ะไม่ีก็ไปที่คุณคันชิตต่อ การชินอยู่ที่ใต้หวันนะต้หวานก็ับน้อมกับนรมาสการครับมีอะไรไหมไม่ไม่มีอะไร ค, ไ<ม>ครับกร็กร่วมรับวามธรรมครับก็ไปาได้เ้าไปที่สุังวาอะไรเชิญศ ร, รีรัชากับนรมศสการเจ้าคะ่ะมีช่วงเมื่อประมาณวานางคารเจ้าคะ่ะหนู หนูตอนเช้าหนูคดข้าวมาทานแล้วปรากฏว่าหนูก็ใช้วิธีที่พระอาจารย์เคยสอนว่าถ้าทานข้าวก็ลองเอาข้าวกับับมาคนรวมกันนะคะทีนี้ปรากฏว่าน้ําแกงที่ลาดไปนะกะว่าจะเอามาตะมาคนรวมกันกับกับข้าวปรากฏว่าแฟนเขาก็ทักว่าเอ้าเอากับข้าวหมามาทานทำไมอะไรเงี้ยค่ะก็เราเราเป็นหมาอะไรก็เราเราเป็นหมาแล้วน้ำเย็นแบบข้าวหมาเลย ใช่ค่ะหนูก็เลยวอกเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรทานได้หนูก็ถือว่าก็พิจารณาพิจารณาอาหารไปเลยก็ดูว่าเราทานกับเข้าวมาได้แั้ว ถ, ถ้าทานได้ก็ถือว่าก็ ก, ก็ก็ทําได้ต่อไปเราจะได้ไม่จู้จี้จุกจิกเรื่องอาหารการกินอยู่ที่ไหนก็กินมีอะไรกินก็กินไปเท่านั้นแหละเพื่อให้เราตัดปัญหารเรื่องเรื่องเป็นอการติดอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ครับ กะว่าในโอกาสข้างหน้าน่าจะก็เป็นคนที่ทานกับข้าวย่าค่ะถ้ามีอะไรคงณิดวันหน้าองเอาของหวานมาฉกเข้าไปด้วยเลยเดี๋ยวจะลองดูตอนนั้นเคฟก็ใส่เข้าไปด้วยลองลองดูสิค่ะอะไรก็ใส่ไปเพราะเนี้มันไปรวมวันที่เดียวไม่ใช่ที่เดียวกันไม่ใช่ใช่แล้วค่ะค่ะในท้างมันมีช่องแยกเขาว่าในท้องนี่มีสีช่องมีช่องอาหาร ช่องของหวานช่องผลไมา้หรือเปล่าช่องขนมหรือเปล่า ไ, ไม่มีนะคะไม่ไมีนะมันก็มันก็ช่องใบเดียวนะต้องไปรวมกันในั้นค่ะแต่ต้องตั้งแต่ปฏิบัติทำมาแล้วลองลองฝึกฝึกขัดมาค่ะกที่น้ําหนักอ้วนๆค่ะประมาณหกสิบนี่ก็เหลือประมาณห้าสิบสี่แล้วค่ะ<ช>ไม่้ออกกาลังเท่ค่ ะ, คะไม่ต้องไปวิ่งให้เหลยอนหร่าน้ำหนักขึ้นเพราะกินไม่ใช่เพราะไม่ได้ออกกําลังกายหรอกค่ะ ออกกำลังกายแล้วเด็กก็หเวอีกกลับกินอีกไม่มีแรงกลับมากินอี ก, น ก, ก, นอกหนูมีมีคำถามอีกตัวหนึ่งคือตอนเช้าเช้าตื่นมาหนูจะมีหนูจะมีนิวรณค่อนข้างเยอะคือตื่นมาแล้วก็ไม่ไม่อยากนั่งสมาธิอยากแบบอยากนอนต่อแต่ว่าก็ใช้เปลี่ยนวิธีการคืออาบน้ำํำพอตั้งตั้งสติได้เสร็จอาบน้ําเตรียมกับข้าวมาถวายที่วาาาันนะคะแล้วก็ถือ ถือวาการ น, นั่งสมาธิเลยอันนี้ก็คือสามารถทดแทนกันได้ไหมเจ้าค่ะได้ค่ะได้ก็นานพยายามนอนบนพื้นแข็งๆดูอย่าไปนอนที่ฟูกเหมันเตียงตอนนี้นอนพื้นแของแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทํางานทํางานเยอะไปค่ะแล้วก็นอนดึกแล้วแล้วก็ประกอบกับนั่งสมาธิก่อนนอนด้วยมันก็เลยดึกเข้าไปอีกก็ไม่เป็นไรก็ต้องยอมรับว่าต้องให้มันทักให้มันท้องร่างกายงั้นเดี๋ยวก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยไดะ ค่ะได้ค่ะก็งั้นก็ก็ใช้วิธีเดิมที่ที่ทำอยู่ก็คือมานั่งสบายท ท, ที่วัดแทนได้ใช่ไหมจ๊ะได้ได้ถ้าร่างกายมันไม่นอนไม่พอก็ให้มันนอนแต่พระเราอยากทำงานค่ะขอบพระคุณจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุคุณนิรมานิรมาเชื่อเลยเชื่อถามนักการครับอาจารย์อยู่ที่ไหนกรุงเทพครับผม คำถามเลยมีครับผมบครับผมมีอ่ามีลูกอายุประมาณสี่ขวบครับแล้วทีนี้ก็ให้ฝึกสมาธิโดยการภาวนาพุทโธโดยการภาวนาว่าพุทโธหนึ่งจนถึงพุทโธสองพุทโธสามมาถึงสิบและให้วนกลับมาใหม่เป็นรอบที่สองแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละวันทีละวันเป็นรอบที่ห้าอย่างนี้ครับอย่างนี้ถือว่าถูกไหมครับอาจารย์ครั บ, บเขาทาได้หรือเปล่า เขาก็ท่องได้แต่พ้องออกมาเป็นออกเสียงครับอาจารย์ก็ดีก็าเป็นการฝึกสติไปตัวครับผม mm. แล้วเพิ่มได้ถึงขนาดไหนครับถ้าเกิดอายุห้าขวบแล้วเนี่ยก็แล้วก่อนเขาจะจำไม่ได้การกาลังของเขาพัฒนอย่างไปบ้างครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นการให้เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นการจะดูทีวีขอให้ทําสมาธิก่อนดีจะได้มีโอกาสให้เขาฝึกสติครับผม แล้วกรณีเดินจงกรมนี่ขนาดเดินจงกรมนี่เขาก็ท่องพุทธโทโดยออกเสียงก็ใช้ได้ไหมครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนคำนั่งครับผมก็หมดคำถามครับอาจารย์เพราะครับฝึกจิตฝึกเด็กเัืงแผนตอนนี้ได้ก็ดีมันยืเต็กกันที่ใส่เข้าไปต่อไปแล้วโตเป็นก็จะได้ทำได้วันหนึงสามรอบได้ไหมครับเยี่รอบไปได้ถ้าเด็กเขายอมทํา เดี๋ย่าไปบังคับเขาอย่านั้นเขาไม่อยากทำครับผมกลัวลเขาอีกหน่อยจะต่อต้านแล้วจะการเป็นเรื่องไปเลยตลอดไปก็ลองดูว่าถ้าทำนานที่ก็ไม่เอาก็ไม่อยากไปบังคับครับครับอาจารย์ครับสุดท้ายนี้ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับสาธุสาธุกลับลาครับผมไปที่คุณนัทพงศ์ใช่คุณนัทพงศอยู่ที่ไหนเถอะสกานครับเอ่อ อยู่ที่นนท บ, บุรีครับาอาจารย์มีคําถามเรื่องการปฏิบัติสมาธิครับนะครับก็อ่นั่งสมาธิแล้วจนจนถึงไม่มีลมหาใจแล้วนะครับคือเหมือนกับว่ากลายเป็นเอกคตาแล้วอารมณ์เป็นหนึ่งนะครับคือนิ่งๆไปแล้วนะครับแล้วคือเหมือนกับว่ามันเป็นสมถปะปัสนาครับก็คือเหมือนกับว่า คือผมรู้ว่าถ้าเราสฝึกเป็นสมถะเนี่ยคือเราเราไม่มีโอกาสที่จะปฏิพันธ์ได้คือคืออยากจะให้จะทําตรงไหนให้กลับมาเป็นรวัดพิจาณะได้เพื่อพิจารณาร่างกายก็เวลาออกจากสมาธิมาก็ทําต่อทําวิปัสนาต่อพิจารณาร่างกายเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับว่าคือให้ให้อยู่ให้อยู่ให้ให้ให้อยู่เป็นอัตตาตนจนกว่าจะยุดจะอ่องเองถูกไหมครับ ใช่จนกว่าจะออมาเองพ่ออกมาคิดปูแต่งแล้วก็พิจารณาทางร่างกายต่อได้อือคือเราเราไม่ได้บังคับบังคับให้ออกมาถูกไหมฮะไม่ได้องยาวบังคับให้มันอยู่นานๆมันคับให้มันเข้าไปในในแต่อย่าไปบังคับให้มันออกมาบังคับเข้าไปยากครับเข้ายากออกง่ายใช่ครับบังคับบังคับเข้ายากอ่าม่อมันเข้าไปแล้วอย่าไปเด็กมันออกให้มันออกมาเองหรือถ้ามันคิดว่ายังอยู่ไม่นานเพราะว่าดันกลับเข้าไปใหมให้อยู่นานๆค่อน ให้ติดเย็ยนเย็นเมลไปขาเยอะๆแล้วค่อยมาพิจารณาทางปัญญาต่อครับเรื่องครับการพิจารณาปรัชนาเนี่ยครับคือก็บอกว่าพิจารณาแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองคือความรู้เข้ามาเองก็คือคือยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครคือยังไม่ค่อยกระจ่างเรื่องนี้เท่าไหร่ก็พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายบางทีเราดืมไปแล้วที่าร่างกายเราจะไม่เปลี่ยนแปลง ร่างกายเาจะเป็นอย่างนี้ทุกวันเห็นหน้าให้นหน้าในะกระจกทีไรก็เหมือนเห็นคนเดิมแต่พอมาดูรูปภาพที่ถ่ายเมื่อห้าปีก่อ น, ม, น, นมันเป็นคนละคนนะัค้งนี่จังการจารพิจารณาน้คือจะ ต, ต้องพิจารณาสมมุติว่าเป็นกรรมฐานห้าไปหรือว่ายกขึ้นมาตัวเดียวพิจารณาครับร่างกายก่อนต้พิจารณาร่างกายร่างกายก่อนร่างกายแล้วก็เวทนาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็อยู่ในร่างกายเหมือนกันส่วนขอ่ากันครับ เดี๋ยวนี้คือผมผมฟังผมฟังข้อสูตรเลือดอันหนึ่งพระสูตรหนึ่งครับหลายๆรอบแล้วล่ะคือคือทําใจเหมือนกับว่ามีมีอยู่เท่านึงบอกว่าทําใจให้เหมือนแผ่นดินพระเจ้าบอกนะครับคือทุกวันนี้ก็คือทําใจก็คือเหมือนแผ่นดินก็คือเหมือนว่าจะโดนใครว่าใครด่าอะไรก็ก็เฉยใครจะดีใจก็เฉยอันนี้ถูกไหมครับถูกจ้าเป็นวิธีที่เราปฏิบัติเวลาเราพังบปตางคนอย่าไปถือเนื้อถึงตัวอย่าไปถือว่าเรา เราดีเราเด่นเราอะไรถ้าคนอื่นเขาไม่ดีไม่เด่นไม่เห็นดีกับเราเพราะถูกดูแคร์เราเราก็จะปลดเขาได้ครับเหมือนกตอนนี้รู้สึกว่าคือถ้าปฏิบัติเยอะๆคือรู้สึกว่าตอนนี้ฮะคือปฏิบัติมากๆแล้วรู้สึกว่าเริ่มเบื่อเบื่อจะดูเปิดดูเฟซบุ๊กก็เบื่อก็มีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้จะเล่นเกมก็เบื่อจะดูหนังก็เบื่อประโยชน์ทางธรรมนี่มันดีกว่าประโยชน์ทางโลกครับ แต่ว่าแต่ว่าคือยังยังทํำงานอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับยังยังทํางานอยู่อะครับเพราะว่ายังยังไม่ถึงเวลาก็ติดตามเท่าที่เราต้องติดตามต้องรู้เท่าที่คนยังรับรับในทางโลกก็ยังอาจจะต้องรู้บ้างเรื่องทางโลกครับเอนี่ครับคือตอนตอนเริ่มภาวนาพุทโธแต่ละวันนะครับพุทโธพุทโธเนี่ยครับผมก็จะพุทผมผมจะใช้คําว่าพุทโธเลยเร็วคือบางทีก็มีภาพนี้มีขึ้นมาภาพนู่นภาพนี้ขึ้นมาคือ ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจครับผมตอนนี้คือผมใช้วิธีเจอภาพปุ๊บผมจับระเบิดใส่เลยผมแล้วก็มี <S <S แล้วก็มีเนื้อเนื้อกระจายออกมผมจับระเบิดเข้าไปาไม่เกือบล้มพีคครับพาออกาเลยดูจับตายใช่ผยใช่ผมจัระเบิดเลยอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูจกจะเนี่ยมันคิดขึ้นมาเองนะอย่าอย่าทําแต่เฉพาะในความคิดได้นลอย่าไปทำในความจริงใะใช่ใช่อยู่ดีมันคิดขึ้เองผมก็งงหมือนครับ แล้วตอนนี้อา่าผมผมก็ไปนั่งภาวนาก็าหลายๆที่ครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปครับผมรู้สึกว่าภาวนาที่ที่วัดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าโดนบังคับด้วยอะไรสักหลายๆอย่างทาให้การภาวนาของเราดีขึ้นกว่านั่งที่บ้านรู้สึกการภาวนาที่บ้านเนี่ยคือเหมือนกับมีกิเลสเยอะมีความสะดวกสบายเป็นมากของเราเองนะครับคืออันนี้ใช่ไหมฮะใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นแม้ว่าปฏิบัติด้วยนะแต่ป็ว่าที่ไม่ใช่เป็วนวัดปฏิบัติ คือตอนนี้นั่งได้ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ก็เหมือนจะอยากจะออกแล้วคือจะฝืนต่อบางทีก็ลําบากก็เลยก็อะไรเอามาคก็พิจารณาปัญญาต่อไปอ๋ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วคือทุกวันนี้ก็พิจารณาคือสวดมนตนะฮะสวดมนตสุดท้ายก็จะบอกว่ามีบทอันนึ่งก็คือพิจารณาคืออ น, นิจจาวสังขาราอุ ป, ป า, าทัอยากไม่โนปัจเจวารูสติแต่สังเวชมสมศรัทก็คือ พิจารณาร่างกายอย่าไปคือร่างกายมันเป็นปมันจะนนยึดยึดแล้วมันถอดไม่ได้ไครับยึดมากเกินไครับก็คือมีประมาณนี้นครับอาจารย์พิจารณาเรื่องเราจะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายเวลาที่มันต้องแก่ต้งเจี่ย ง, งต้อตายครับอืก็เดี๋ยวจะหาเวลาไปตอนนี้คือเหมือนกับว่ า, วาพยายามจะฝึกฝึกที่บ้านให้ได้นานๆนะครับ ได้ถ้าทำที่บ้านได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันเป็นของที่อยู่กับเราแล้วเราไม่ต้องเดินทางไนครับแต่ถ้ามันเต็ม่อิบมแล้วอาจจะต้องไปหาที่ใหม่ค่อยๆว่ากันอีกทใช่ผมผมรู้สึกว่าผมชินกับที่บ้านแหละคือเวลานั่งสมาธิผมปิดไฟทุกอย่างคือเหมือนกับตอนแรกก็รก็กลัว<ช>หลังๆพอผ่านไปหลายๆเดือนหน้าหกเดือนวัน น, นี้ไม่มีความกลัวแล้วนะ<ช>เราไปก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวไปใช่พอ <c oughs> มันชินแ คือคือเคยไปนั่งวัดหนึ่งครับคือเขาไห้ไปนั่งตอนคืนเขาไว้ไปปล่อยไว้ที่มอไปอยู่คือมีโรงศพอยู่อันนั้นแนะ่ะคือ บ, บังคับคบังคับให้เราคือต้องอยู่บังคัให้เราพุทโธบังคับให้เราทําจิตให้สงบพุโทโธคือตอนแรกได้ยินเสียงหัวใจเต้นหัวใจเต้นเลยนะฮะตึบตึบหลังๆคือเริ่มผ่านไปนานๆนะคือหัวใจเริ่มไม่เต้นเลยไม่เต้นเริ่มชินก็เลยคิดว่าเหมือนจะพิจารณาข้างนอกไปนั่งสมาธิข้างนอกเนี่ยผมว่าน่าจะได้ดีกว่า ที่ที่น่ากลัว เ, เนี่ยเป็นที่ที่จะทําจิตให้งสงบได้ดีครับครับขอบคุณมากครับโอเคนะแล้นท่านทีกลัดนะครับผมไปที่กุญก well ๊อกก๊กก๊อกฟิวบ๊อกอากสุราษหายไปหายไปหลายวันนะหายไปนานครับอาจารย์ครับหลงหลงครับผมหลงย้งไงฮะทำไมหลงง่ายนักเกิน แต่ก็แต่ก็กลับกลับมาครับผมก็เอ่อได้เรียนรู้อะไรเยอะในทางโลกครับก็คือเอามาปรับใช้ครับแต่ว่าใจเราก็ไม่ทิ้งทำครับหือว่ามันทุกใช่ไหมครับว่ามันวุ่นวายครับอาจารย์มันวุ่นวายก็ทุกขนะ์ครับทุกข์ครับครับก็เลยคิดถึงอ<พ>า<ำ>จารย์ครับผมก็ เพื่อนเขาชื่อคุณต้นนะครับที่ที่ไปตักบาตรพระอาจารย์ก็คือจะตักทุกวันพระใหญ่ะครับครับดีได้ยีนนอะไรใช่ไหมวันนี้ครับม า, ามาน้อมกราบครับผมแล้วก็ลำลึกถึงพระอาจารย์ครับครับเห็นไปที่คุณพัทลัตในคุพัทลัตในยังไงเดี๋ยวน้อยไปใหม่สิ รครับพัาจามครับมีดังดังเลยไม่ได้ยินเลยการประมสรสกรรครับพัดจามครับอ่าเป็นยังไงวันนี้มีอะไรไหมมีอยู่ข้อเดียวครับอถามเลยจะทํำยังไงให้นั่งสมาธินั่งสมาธิได้นานๆครับก็อย่าลุกเสีย <c oughs> นั่งไปก็อย่าลุกมันก็ได้นานเองถ้านั่งแล้วลุกมันก็ได้ไม่นาน แล้มันอยากจะรู้ก็เท่าพุทโธสู้กัมันไปแล้วก่อนมันนั่งก็ต้องหัดท่องพุทโธไปทั้งวันก่อนถ้าจะนั่งได้นานมันท่องพุทโธเมื่อตาขึ้นมาแล้วพุทโธเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปแล้วเวลามันนั่งจะนั่งได้นาน เข้าใจนะเข้าใจครับ okay. คุณสุภาจาจาก d a ลั a s Texas เชนกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีคำถามเจ้าค่ะคุณพ่อฝากถามถามเลยได้ค่ะคุณพ่อถามว่า เพระที่ใช้พลังจิตในการปลุกเสกเครื่องขังของรางของคขังต่างๆเหรียญต่างๆเนี่ยมีเป็นจริงหรือไม่และพลังจิตเนี่ยอยู่ในเหรียญทําให้เหรียญมีคุณวิเศษหรือเปล่านะคะมันมันคนมันจิตกับกับวัตถุมันมันไม่ได้ไปด้วยกันมันเข้าไปปลุกไม่ได้วัตถุมันก็ต้องเป็นวัตถุอยงนั้นนะครับมันเป็นอย่าอื่นไปไม่ได้มันไม่เปลี่ยนไปธาตุดินก็เป็น ท, าท่าตุดินะครับ ไม่ว่าจะเป็นพลังอะไรก็ไม่สามารถไปทำให้ดินมันวิเศษขึ้นมาได้สิ่งที่เราต้องการปลุกคือจิตของเราเนี่ยปลุกเสร็จต้าปลุกที่จิตปลุกให้มันเกิดปัญญาให้มันชลาดให้มันมิถททิลานิลัยตัณหาดังนั้นนี่เป็นเรื่องของความวงไล่ความเชื่อกัน งั้นคําถามที่สองของเขาก็คือเข า, เ, เ, ขาเขาก็เลยเขาจริงๆพระอาจารย์ก็ตอบแล้วค่ะเขาถามว่างั้นเราก็สามารถถ้าเขาถ้าเราก็สามารถสร้างพลังจิตได้โดได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องรองางของขังคุณวิเศษต่างๆอะไรเงี้ยใ่นอนเพิ่งสติตัวเดียวนะสติตเรามีกําลังมากทําจิตให้สงบจิตก็จะมีพลังขึ้นมาเจ้วค่ะทีนี้คําถามอีกข้อหนึ่งของพีุ่้พ่อฝากถามคือบอกว่าเอา่อ เทคนิคต่างๆที่ครูบาอาจารย์สอนนะคะจะมีแต่ละแต่ละท่านก็จะสอนแตกต่างกันเป็นการเหมือนกับว่าให้เราสร้างแบบสร้างให้จิตมีกําลังนะเจ้าค่ะอย่างเช่นพุทโธหรือพองเนอหรืออะไรก็คือเป็นเทคนิคต่างๆที่ที่แตกต่างกันไปเพื่อให้จิตมีกําลังใช่ไหมเจ้าคะใช่ถูกตามอุบายอูบายวิธีที่จะทําให้จิตสงบนี่มีหลายวิธีในกัน นะคะแต่ทีนี้ส่วนของปัญญาเนี่ยคุณพ่อสงสัยว่าเป็นส่วนที่เกิดจากการที่เราเคยสะสมมาก่อนใช่ไหมเพราะว่าท่านบอกว่าอย่างบา ง, บางคนฟังเทศเนี่ยก็เข้าใจบางคนฟังเทศก็ไม่เข้าใจคือการสะสมบา ร, รมีมาก่อนทําให้เกิดปัญญาใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่เคยเคยศึกษามาก่อนมันก็จะเข้าใจง่ายเหมือนคนที่เคยเรียนจบป .6 แล้วมาถึงก็เรียนม .1 ได้เลย คนที่ยังไม่เคยยังไม่เข้าเรียนโรงเรียนไหนก็ต้องไปเรียนที่ปอนเองกนะ่อนะ mm. แล้วค่ะทีนี้ส่วนของลูกลูกมีเพียงหนึ่งคำถามเจ้าค่ะก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งลูกรู้สึกมีความขุ่นมัวที่จิตใจแล้วค่ะลูกก็เลยแบบนั่งนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเนี่ยมันมันก็คือพอคิดก็เอาดึงกลับมาคิดก็ดึงกลับมามีสภาวะตอนหนึ่งคือตอนที่ขนาดดึงกลับมาเนี่ยมันมีเห็นว่ามันความคิดนั้นมันไม่ใช่เราอ่ะเจ้าค่ะแล้วมันก็ มันก็เหมือนกับว่ามันก็เบาไปทันทีเลยมันมันมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยทีนี้พอลูกรู้สึกตรงนั้นลูกก็คิดว่า อ, อ๋อนั่นคือเหมือนกับสติอะเจ้าค่ะลูกแล้วทีนี้พอลูกรู้ว่าเป็นสติลูกก็นึกถึงคำของพระอาจารย์สอนว่าถ้าสติมันจะไม่ถาวรให้เอาปัญญามาใส่แล้วลูกก็เอาปัญญานึกถึงความอยากว่าเราอยากอะไรเจาะมันลงไปอะเจ้าค่ะแล้วมันก็แตกมันก็หายไปอย่างนี้ อย่างนี้เป็นวิธีขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่เจ้าคะถ้าเราเห็นเหตุที่ทำให้จิตเราไม่สงบด้วยปัญญาแล้วก็ทำให้ความไม่สงบาหายไปความสงบก็จะกลับคืนมานะคะ่ะก็คือพอสติพอสติได้ปุ๊บก็เอาปัญญามาสอนใจต่อเลยใช่ไหมเจ้าคะก็ได้ะจะได้เป็นนักทวอนเนาวอน ได้เป็นถาวรเอ้นึกว่าต่อไนี้เราอยากไปอยากกับสิ่งนี้ต่อไปถ้าเราอยากจะให้จิตเราสงบแล้วค่ะปัญญาก็คือให้นึกให้หาไว้มันคืออยากอะไรค่ะให้พบแล้วเจ้าใช่ไหมเจ้าค่ะอยากอะไรต้องให้เห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นไตรลักเจ้าค่ะแค่นี้เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณจอยจอยนนทบุรีจอย ไปไงตอนนี้อยู่นอนได้อยู่พัทยาแะ้อยู่พัทยาแล้วค่ะย้ายมาแล้วเลยสู้ไม่ไหวนะสู้คนทานไม่ไหวก็อย่าไปสู้เลยปาเสวนาจกพารานามรดิตานจะเสวนาอยากขอบคนทานให้ขอบบัณฑิตเขาเดี๋ยวมะเก่าหายใจมะเก่าแล้วคุณสามารถนี่ครับ่านสวัสดีครับ ยังไม่นอนเหร อ, อไปนนอนได้ครับไป <S <S เดี๋ยวเดี๋ยววันวันอาทิตย์จะไปไปนจันอะค่ะรอแม่กลับมาจะไปใส่บาตระค่ะอ่าทําการแทนแม่อยู่ อ, อ่แล้วเด็กๆไม่เรียนรรหนังสืออะไรเรียนออนไลนะคะไ์ค่ะเรียนออนไลน์อยู่นะค่ะเอ่อหนูอยากจะถามว่าคนเราสามารถแก้กรรมได้ไหมคะกรรมเก่าแก้ไม่ได้กรรมใหม่แก้ได้คือไม่ไปทำอะไร เคยทำบาปเมื่อเปลี่ยนําทบุญแทนเนี่ยแก้กรรมใหม่ได้แต่กรรมเก่าทําไปแล้วไม่แก้ไม่ได้แล้วแล้วพิธีกรรมที่แบบตามวัดอย่างนี้ไม่ต้องไปทำหรอกมันแก้ไม่ได้คือป้าเขาบอกว่ามีวัดเให้ไปแก้กรรมหรือก็ดีแต่เนี่ยไปท่ามคนแล้วก็ไปทําแก้กรรมใหม่ได้ไปขโมยเงินขโมยหน่อแล้วก็ไปแก้กรรมได้ก็ดีแก้ไม่ได้แล้ว ได้ไหมไปด่าแม่เขาแล้วไปแก้กรรมแล้วใ้เขามารักเราได้ไหมอ่าก็อย่าไปด่าก็นีิอย่าไปด่าเขามันเขาเขาจะไม่มาโกรธไม่เกลียดเรานะการแก้กรรมแก้ถ้าแก้ได้พระพุทธเจ้ามาสอนมานานแล้วถ้าไม่ได้สอนให้มาแก้กรรมกรเก่าถ้าไม่ให้แก้ให้แก้กรรมใหม่เคยทําบาปว่าเปลี่ยนมาทําบุญแทน ใครก่อมลงก็เอาเงินมาแจากแทนน้ไงป้าป้าเขาให้ชวนไปแก้กรรมหนูก็ไม่ไป้มาแก้หรอแก้กรรมใหม่แล้วกันกรรมใหม่ทําตัวให้เป็นคนดีมีเมตตาไม่กรธเคืองใครให้อภัยคนท่องเขาจะดา่เาเราก็จะคิดอะไรร้ายกับเราที่ว่าเป็นกรรมของเราไปไมันต้องมาแก้ให้เสียเวลาพิธีกรรมแก้อะไรไม่ได้ อาจารย์นะว้เจอกันนะวันจันทร์เอะค่ะเดี๋ยววันจันทร์แม่กลับมาแล้วไปใสยบาโอเคค่ะท่านการนะคุณบริสตออาคุณจี๊บนะคุณจี๊บหายไปขอไปไม่เห็นหน้าก็เลยนานเลวันนี้ใจเย็นนะวันนี้วันนี้ทางานค่ะวันนี้หนุ่ยโยมมาดั้แต่ก้ามอ่ยแปดมงเช้าเลยนะคะอาจารย์อาจารย์นายก็ไม่รู้เลว่าเรากาลังไลฟ์สดอยู่นี้ เราอยู่อีกห้องนึงค่ะยมก็อยู่ห้องห้องเนี่ยอาจารย์ขอโทษนะคะห้องไขกระสานผมแอบอยู่ใน ห, ห้องพี่มีแต่อกระสานยมพอดียมนึกว่าโยมอาจจะต้องแวบออกไปเขาถ้าเขาเรียกยมต้องไปคือยมฝากคาถามคุณหล่าไว้แต่เผอิญได้ถามอาจารย์เองก็เลยจะขอถามอาจารย์ว่า ถ้าเวลาับพิจารนะสุภาค่ะพระอาจารย์เราควรจะเริ่มจากมองที่ตัวเราก่อนหรือว่ามองที่คนอื่นดีคะก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราลักตัวเราอยากให้ร่างกายเราสวยงามเราก็ต้องพิจารณาตัวเราถ้าเรารองคนอื่นว่าเขาสวยงามเราก็ต้องพิจารณาตัวครับพือให้เรามองให้เห็นว่าเขาไม่สวยงามนั่นไงเราไม่สวยงามรูปน่าขันนะคะอ่าอ ถ้าเรารักลูกมากกว่าเราเราก็ต้องมองให้เป็นโครงกระดูกไปอย่างเงี้ยหรอคะดีเราจะได้ไม่ไปหับนักงขำไปแต่รักลูกนี่พยอยามนะที่พูดถึงไหรักทางเพศมากกว่าที่พูดถึงรักทางเพศอ๋อค่ะค่ะถ้าเห็นใครก็้าลูกห่อเห็นเข้ลูกหล่อที่หน้าเห็นเป็นรเบร์ตเรดฟอนเนี่ยอะไรนี่ก็ลองดูว่านามันไม่มีตัดใจแท้รงรืป่า แถวนี้ยังไม่มีตอนนี้ยมไม่มีได้กับเวลาไปไหนเลยค่ะอาจารย์ทํางานกับบ้านรับลูกพลาลูกไปทํากิจกรรม เ, รเอาเรานอนอยู่แค่นี้ตัวเองถ้าเราลั่างถ้าเราลงไหลกับร่างกายของเราไปทําผมไปทําหน้าอะไรครับพิจารณาร่า ง, นะางกายเราว่าทำผมนี่ออดแนนอย่างนี้ยมต้องมองตัวเองก่อน ยมเพิ่งไปแล้วยมเพิ่งไปไปทําวันนั้นไปถ้าไปหาน้องน้องบ อ, อพี่ชิปผมหอกในหัวเลยหนูก็บอกยมก็บอกอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้ามันขาวหมดก็ก็ดีนะบอก <c oughs> มาทำ <c oughs> ม, มันผิดกฎหมายแล้วว่าถ้าผมขาวแล้วถ้าม ไ, มไม่ผิดกฎมายก็ไม่องไปทำอะไรลยยมก็เลยว่าเออ แต่ถ้ายอมยังแบบโอ๊ยวันที่เรายังถอนอยู่ตอนนี้ก็เลยเออช่างมาันเถอะมันรู้สึกว่ามันจะขึ้นมากว่ามากว่าที่แบบจะมีแรงมาถอนแล้วชื่วยมไม่ได้หรอกมันจะเขามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วดีไม่ดีก็ร่วมด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะยองก็เลยเออไม่ได้ล อ, อยไปต<ม>ามเห็นต่อไปก็เห็นเห็นีเห็นเห็นสีันน่งมใช่ค่ะก็จะกลายเป็นหัวลานไปยองก็เออถ้าล้านก็ก็เราก็โกนไปเลยดื เดพิจารณาไม่ลงหน้าก่อนนะครับคุณพระใช่ค่ะค่ะแล้วอีกคําถามนะคะพระอาจารย์ถ้าสมมติเวลาเราจะนอนถ้าเราล้มตัวลงนอนแล้วอะค่ะเราควรจะคิดอะไรคือหรือว่าเราแค่คิดพุทโธพุทโธไปเรื่อยไปนึกว่านอนแล้าจะไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้ค่ะเราต้องแผ่เม่ตาเหรออาโหสิกรรมอะไรก่อนไหมคะแบบถ้าอยากจะแผ่ก็ได้แต่มันไม่ได้แผ่เราเวลาแผ่จริงๆต้องแผ่ตอนที่เราเจอกัน อ่าแลถ้าเกิดคือถ้าเราค้าคนนั้นยังเป็นชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เราควรแผลตอนในใจไม่ต้องไปแผลเขาได้ยินใช่ไหมคะฉันขอแผลไม่ตายต้องไม่ต้องให้เขาได้ยินแต่ให้เขารับรู้ว่าเราให้ความไม่ตาคราับช่นสวัสดีวเวลาเจอก็มาทักทายก็เฮลอหล <Hi S 2> ยมคิดว่าแบบว่าบอ ก, บอกเออจา้าเพื่อนเฮ้ยพี่ขอแผลไม่ตาให้นะไม่เราต้องต้อง เราให้ความสขขาุขกับเขาเขาเอาแผ่เมตตาแสดง ค, ความเป็นนิ่แสดงความเป็นนิ่งแสดงความเป็นเพื่อนกับรับค่ะก็คือให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาอย่างนี้ก็คืออใช่ออการกระทำไม่ใช่อยู่ที่การสวดหรือการนึกในใจเราคล้ายกันที่ไม่ได้แต่ต้องทำเอาถึงาการรู้ต้องทําถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกกับน้องคนก่อนหน้าว่าคือทําตามมารยาท ต, ตายแต่ทีนี้เราก็ไม่ต้องเอาเก็บมากับ คิดว่าเขาทําอะไรสมมุติอย่างตอนนี้ค่ะโยมเริ่มทํางานที่ใหม่ก็จะมีแบบเออบางทีเขาก็นินทาการอะไรเงี้ยแต่คือโยมอะไม่ไี้อยากคือแต่แต่โยมไม่ได้อยากจะอยู่ในกลุ่มที่เขานินทาคนอื่นนะคะแต่ว่าเพเอินว่าเหมือนกับเราเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วบางทีเขาก็มีวิบแบบเขาเรียกอะไรคะแอป Happy ้อารที่หลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะโยมก็แบบอ่เขามาชวนเราก็ต้องแบบเออเป็นมารยาทเราก็ลุกขึ้นไปนั่งพอนั่งปุ๊บสักพักนึงเขาก็แบบ คุถึงเพื่อนโรงงานคนอื่นยมก็แบบอยากจะเลิยูมากปล่อยการคุยไปแล้วก็ฟังไปก็ได้เราไม่ต้องไปมี้เราไม่ต้องไปเป็นโฉมโลกเลยคือเราแค่ฟังแล้วเราก็พูดโธไปเราไม่ได้เราไม่ได้ติดกรรมอะไรใช่ไหมคใช่ไม่ไม่เป็นไรบางทีต้องทำเพราะเราอยู่ในสังคมที่จะต้องมีการเข้าค้าสมาคมกันถ้าเราไม่จอนเขาอะไรเขาอาจจะหาว่าเราหย่งหรือเรารับเกียจเขาแล้วก็อาจจะมองเราผปปฏิบักษ์ไปได้ใช่ยมก็เลยแบบโอเคงั้น เราก็ไม่เดินออกมาแต่ถ้าเกิดคราวหน้าเขาคุยแต่อย่างนี้นานๆโยมก็จะชิงเเข้าห้องน้ามันก็ได้เนาะเข้าไปห้องน้ําคนใ่ใช่ค่ะมันพอดีที่เก่าโยมมีแต่ผู้ชายเป็นเพื่อนลงมานผู้ชายหมดเลยไม่มีการดินทากันพอมาที่โยมผู้หญิงเยอะมากว่ามันแบบโยมไม่เข้าใจแสดงว้าคุยจับดินทากันนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหยียดเพศนะคะแต่แบบว่าแบบหก็คือไม่นี่ฝรั่งนะคะไม่ใช่คนไทยเหมือนกันนะไม่ว่าฝรั่งว่าไทย ไม่กันทั้งนั้นนะใช่ค่ะยมก็เออก็ดีก็ดีเอามาเป็นข้อคิดแบบเหมือนไตลักที่พระอาจารย์บอกเอามามองเป็นไตลักก็ดีค่ะ<ช>่ค ะ, คะวันนี้ยมไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์ยมแค่เข้ามาฟังขอพลังบวกจากพระอาจารย์นะคะช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยก็เลยแบบก็เลยยุ่งยุ่งมากขึ้นนิดนึงค่ะคิดว่าไม่เป็นไรพ่อแม่มีความคุ้นกันเรามาก ใช่ค่ะยมก็อธิษฐานไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์แต่สงสารคุณแม่เหมือนกันเพราะมันหนาวมากสามสิบองศาสามสิบองศาคือศูนย์องศาถึงห้าองศาแต่ละอาทิตย์ค่ะถ้าเป็นเซลเซียสนะคะอยูข้างในห้องมันมีพิซซ่าไปกูอะไรมีอะไรบ้างยมก็ยมก็ซื้อเป่าอีกเครื่องนึงเขาก็แบบโอยหนาวหนาวยแมลหน่องก็หลับยมก็แม่อดทนเลยนะพอดีให้มาช่วงคริสต์มาสเลย ต, ต้องบรับตัวหนตะ่ต่อไปข้ก็อาชินเอง่ใช่เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระอาจารย์มีทัศขันแข็งแรงนะเ จ, จ้าค่ะสาธุจ่ า, ามูทนาสาธุเจ้าค่ะเชิญท่านต่อไปคุณ iPhone 13 Pro Max ครับอยู่ที่ไหนอัลโหบครับพระอาจอารย์เชิญพูดได้เลยมีคำถามอะไรไหมอยู่ที่ไหน อ่าปกติอยู่บางแสนครับอาจารย์แต่ตอนนี้มาดูที่ใต้ครับอาจารย์อ๋อพอดีวันนี้วันนี้ไปโรงพยาบาลพาพ่อไปหาหมอแล้วไปไปโกรธพยาบาลแบบใจเต้นแรงแล้วก็เหงื่อแต่ ค, ค, คือคือมันรู้สึกว่าเราควบคุมควบคุมความกโกรธควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับอาจารย์แต่ว่าไม่เป็นเป็นอยู่ไม่นานประมาณสักสิบนาทีแล้วมันเริ่มดาวลงดาวลงแล้วก็พยายามพูดโทครับอาจารย์แล้วก็มา ไปไหว้ขอโทษเขาเขาจะดีถ้าทาผิดก็ไปไปแสดงความขออภัยหน้าแล้ก็ไปวัดบอกว่าต้องแบกกันเพราะเรายัางมีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องเดยก็อยู่เร่องอไ่ายธรุเจ้าอะ ไ, ไ, ไรง่าก็อยากจะปฏิบัติเป็มที่ก้าแบบธรรมุทเจ้านีาน้ไปเลย ถ้าเรายัางไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นนี่ก็ต้องแบ่งรับแบ่งช่วงกันไปที่นี้ทางก็ไปที่วัดที่หน้าแล้วก็ขอไปวัดขอแบ่งกันพ่อก็ต้องไปที่ของพ่อครับตามใจเขาบ้างตามใจเราบ้างเนะครับอ่ใช่อยู่ด้วยกันแบบอย่างนี้แล้วแบง่งคนละเครืรอ่องแบบตอนนี้รัฐบาลก็ยังมีบุครงการคนละเครื่องเลยนะห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบพื้นดี อย่างเมื่อกี้ได้ยินนะครับว่าอย่างคลอดลูกอย่างเงี้ยครับเขาก็อยู่ไม่นิ่งอย่างเงี้ยครับพยายามให้เขาอยู่นิ่งๆสักข้ามนาทีสิบนทีอย่างเงี้ยครับเออบังคับเขาไม่ได้หรอกคอยก็ได้อยู่ที่ตัวเขาก็จะทำตัวว่าอย่างได้หรือบอกก็ได้นะบังคับไม่ก็ไม่ได้บอกเขาได้เขาจะทําหรือไม่ก็แล้วแต่เขาอย่างนี้ใช่ไมใช่ใช่แล้วบางทีด้วยความที่บางทีทํางานมาเหนื่อยอย่างเงี้ยครับ อะไรที่ทางทางเขาทําไม่ถูกใจหรืออย่างเงี้ยเกิดอารมณ์โกรธล้วต้องทําใจว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละเรไปหวังให้เขาทาอย่างนั้นมันพอมนั่นเป็นตามตามที่เราหวังแเรวก็โกรธแทนอย่าไปหวังต้องรู้ทันว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาจะต้องเป็นอย่างนี้ พูดทีอารมณ์โกรธมากนี่คือไม่ทันนี้แปลว่าเราสติอ่อนไปใช่ไหมเราลืมเราเผลสติหนึ่งแล้วก็บรรยาด้วยเราต้องพอเจอครั้งนี้เราต้องขึ้นในใจแล้วอย่าไปวังอะไรอย่างวันบัรยากาได้ทำอะไรได้พูดทีต้องใช้พิธีหลบเรียกขึ้นมาอยู่ในห้องตัวเองอย่างนี้ครับได้ก็หลบได้ก็หลบไปก่อนะถ้ายังประชายน่าไม่ได้ก็หลบไปก่อนกฝึกซ้อมวิทยายุ่งไปทําการบ้านก่อน แล้วคราต่อไปก็ลองมาทําข้อสอบมาเจอกันอืมบางทีก็ทําได้ส่วนใหญ่จะทําได้ครับแต่บางทีก็เหนื่อยๆจากการทํา ง, งานมาบานทีก็จะเผล อ, อแล้วก็อยากอยากจะสงบแล้วพเอาแม่มาสงบแต่ราเราก็เลยโรกรธครับอืมรเราเราอยากไปอยากโทษของเราก็คื อ, คอเราอ ย, า, อยากอยากทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เลยโกรธขึ้นมา อาจารยนะครับกับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเว้นดาดเนมิตเบนยังไม่ไปเหรอการนอสการ์อาจารย์ยังไม่ไปค่ะอาจารย์ไปสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดยันหน้าเมื่อกันนี้ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าก็เหมือนเบาเบางานไปแล้วอะค่ะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปปฏิบัติที่เชียงใหม่เชียงรายค่ะแล้วก็ยาวไล่ไปเลยค่ะอาจารย์ แต่ว่าก็จะไปเข้าโครงการวันที่สิบเจ็ดค่ะวันกราค่ะอาจารย์สามเดือนนะสองเดือนเจ็ดเดือนเดเดือนอาจารย์เอาเลยลองดูก็ก็คิดว่าน่าจะบวชไปเดึดไปเลยค่ะอาจารย์ก่อนดีโกนหัวไปเลยอาจารย์เขาบางครั้งห้ามไม่เรื่องโกนหัวหรือไม่โกนแล้วแต่เราสัครใจเขากนเขาถ้าเราจะโกนเขากนให้ด้วยค่ะอ่าเขาบวชไม่ว่า ก็ได้ม่ก่อนก็ได้หกเจดเดือนนี้ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะก็อนสบายยังได้ไม่ต้องมาคอยสระผมไม่ต้องมาคอยวิผมไม่ต้องเตรียมแชมพูไม่ต้องเตรียมอะไรตักงๆจริงค่ะการเดียวก็พอช่วงนี้ก็เบื่อผมมากเลยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าทําไมต้องมานั่งสระทุกวันนั่นแหะปัญญาเกิดเห็นว่าผมมันเป็นทุกข์นะจริงค่ะการเหมือนแต่ เริ่มแบบไม่ไม่ค่อยชอบผมแแบบรู้สึกว่าต้องมานั่งดูแลมันก็เหนื่อยเป็นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์าารยเวลาจะวัดการปฏิบัติต้องมาว่าขึ้นหน้าหรือไม่ก็ดูที่ผมเราถ้าผมยังยาวอยู่ก็ยังไม่ขึ้นหน้าอาจารย์แต่ผมมันสั้นเราก็ถ่าติดติดผิวหนังแล้น า, านังศีรษะแสดงว่าเนี่ยเป็นเจริญแต็งที่แล้วเนะี่ย จริงค่ะอาจารย์เพราะรู้สึกว่าถ้าโกนนี่คือต้องปล่อยวางเยอะเลยอะ่ะแบบค่ะปล่อยวางแชมพูปล่อยวางผมปล่อยวางยาวดผมปล่อยวางอะไรนี่เยอะเลยใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็เหมือนแบบเ อ, อ่อพอพอเริ่มว่าแบบเออเราไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็รู้สึกว่าโล่งเลยเพราะว่าไม่ต้องมานั่งแบกเครื่องสำอางเครื่องสำอางนะคะ<ต>ไม่ต้องมา่แบกบว่าคนกันจะมองรอย่างไรด้วย ใช่ค่ะเพราะนั้นตัวรละตัวลำบากเขาจะมองเราเขาเขาจะดูถูกเราหรือเปล่าอย่างนี้ก็พอเราเห็นเราโกนเขาไม่กล้าดูถูกเราเขาปวเราแล้วเขาอกเทีนี้วันนี้อยากถามพระอาจารย์นะคะว่าแบบเหมือนเรื่องอาหารนะคะเหมือนหนูก็แบบคือก่อนหน้านี้หนูเป็นคนที่ติดเรื่องอาหารเยอะคือกินเยอะแล้วก็หนูก็ค่อยๆลดที่ะระย่ดแ่ะ เริ่มแต่ก่อนติดขนมปังหนูก็เหมือนกับลดไปได้แล้วก็เหมือนหายอยากไปเลยแต่ทีนี้เหมือนกับว่าเราก็มาลดพวกแบบกาแฟะอะไรอย่างค่ ừ, อะอาจารย์เราก็ไม่ได้กินมาแบบสักพักก็ดีอย่าไปกินเรื่องอะไร ไ, ได้แล้วก็อย่ากกลับไปกินนอกจากว่ามันมาเองแต่เราอยา่าไปสรรหามันก็แล้วแต่ถ้าเกิดเวล า, า, าก็จัดอาหารมาให้มีกาแฟมาอยากจะเด็ดก็ไ ด, ไได้ไม่เด็ดก็ได้ก็แค่ชั่ววันช็อตครั้งเดียวเท่นี้ แ ต, แต่ถ้าเราหายเองเดี๋ยวาจะหามันอยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้พอเหมือนเราพอเราเข้าไปในร้านไปนั่งทางานร้านกาแฟเงี้ย่ะอาจารย์มันจะเหมือนแบบรู้สึกว่าใจมันก็เพื่อมเลยมันขึ้นมาเลยว่าแบบก็ต้องห้ามมันต้องขึ้นมถ้ามันกเพื่อมแสดงว่ามันอยากแต่ว่าก็ยังไม่ได้กินนะคะอาจารย์แต่ทีนี้มันก็ต้องอยากกอกับมาถึงย่ากนถึจะ ไ, ได้กินอือ แล้วเราจะทํายังไงที่มันขาดไปเลยอ่ะอาจารย์มันก็อย่าก็อย่าไปกินมันเลยอย่าไปกินมันได้เมื่อยอยงนี้ค่ะอืมแล้วเราต้องพิจารณาอะไรอย่าง้ไมคะอาจารย์หนูก็พยายามพิจารณาว่ามันก็แบบแค่กาแฟกับน้ำตาลมันก็เป็นยาเสพติดอย่างนี้ถ้าดื่มแล้วมันก็จะต้องติดนั่นต้องคอยหาดื่มเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดอยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มมันก็จะหนุนอยงนี้อืมค่ะอาจารย์แล้วหนูอยากถามนิดนึงว่าสมมต ถ้าเราแบบจะลดลงมาเป็นแบบสีแ่แปดแล้วก็มาเป็นแบบสมมุติเป็นแบบมื้อเดียวเนี่ค่ะอาจารย์คือเราสามารถเราต้องค่อยๆทําหรือว่าเราเราสามารถ ท, ทําทีเดียวไปเลยเลยคือมือเดียวนี้มันไม่ได้อยู่ในสีแปดมันอยู่ในทุนลงข้อทุนลเราก็อยู่ที่เราเป็นเป็นออปชั่นพิเศษ ถาเาอยากจะถือป๊บก็บถือได้เลยบวชปับป๊บก็แเราก็ต้องดูการรับเที่ยวเยอะเราอยื่ว่าคนที่เราอยู่ด้วยเขากินเมือเดียวหรือเปล่าเขารังเกตเราหรือเปล่าถ้าเรากินเมื่อเดียวอย่างเาเนีแต่ว่าทำไมถึงมันจะทําให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นล่ะคะาก็จะได้เสียเวลาน้อยกับการปฏิบัติไงกินตอนเช้าก็เสร็จแล้วทันนี้ก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องกินแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติยาวเลย ไม่งนเด็กต้องคอยจอดใช่ไหมเดี๋ยวแมื้อเทีย่ยมเดี๋ยวแวะ ม, มบ่ายอะไรก็เข้าไปอ๋อค่ะเป็นรถรถด่ดดวนกับรถไม่ด่วนนะรถ ด, ด่วนก็ต้องคอยจอดว่าตามสถานีหนึ่งต่างรถด่วนก็ก็ไม่ต้องจอดวิ่งตรงไปเลยถึงจุดหมายปลายทางเลยหลังจากชันใช้ ก, กระเาะบดาได้ถึงกระทั่งถึงบรรดานอนเลยอืมค่ะอาจารย์ อันนี้หนูถามนิดนึงค่ะอาจารย์ทำไมเวลาที่เขาบอกว่าเออถ้าเกิดคาว่าสบรรลุธรรมต้องบวชในเจ็ดวันอันนี้คือจริงไหมคะอาจารย์อ๋อไม่จริงเลยแต่ส่วนใหญ่น่าจะบวชกันทั้งนั้นแหะถ้าบรรลุธรรมนะมันจะอยู่เป็นคาว่าสกันยัอ๋อคือมันไม่มันไม่ได้อยากจะทําอะไรทางนั้นหนีใช่ไมได้ใช่ทางโลกไม่เอาอืมแต่ว่าเหมือนไม่ใช่ว่าแบบเอยถ้าเราบรรลุธรรมแล้วเราจะถ้าไม่บวชจะแบบที่เขาบอกว่าต้องมีฐานไม่ไม่ไม่ตายไม่เกี่ยวกันค่ะ อันนั้นเป็นกรณีเป็นเป็นกรณีเฉพาะเช่นมีคนำบำเพ็ญธรรมบรรลุเสร็จแล้วขออนุญาตพระเจ้าปฏิบตัวบวชนอกทางทางถูกกระทิงขืนตายอย่างเงี้ยเขาอะไรบอกเนี่ยเป็นว่าบรรลุธรรมแล้วไม่ได้บวชก็ต้องตายแต่ความจริงเขาเขาไม่ได้ตายเพราก็เป็นบรรลุธรรมว่มาตายเพราะถูกกระทิงขือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เข้าใจเลยค่ะอาจารย์อเอาตีความกันมั่วยัวงั้นเองเข้าใจแเราหนูถามอันอนี้นิดนึงค่ะว่าสมมติที่อบอกพระสวดาบันเนี่ยต้องเกิดอีกเจ็ดชาติแล้ว maximum maximum maximum ไม่จำเป็นจะต้องเจ็ดชาติบังทีชาตินี้ก็มาลงเป็นพระหัได้อือแล้วสมมติถ้าเกิดเขามาเกิดแล้วสมมติว่าชาติก่อนเขาได้ธรรมะถึง ก็ทำ ต, ต่อได้ไลก็ไม่ลืมก็ไม่ลืมถ้าเป็นสดา<อ>มาแล้วจะไม่ลืมพอเกิดมาก็จําได้เลยอย่างนี้นจำได้เลยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนไม่ต้องมีพระพุทธธรรมมาสอนเพราะมีแผนที่อยู่ในใจนะโหค่ะอาจารย์แล้วก็สุดท้ายค่ะอาจารย์หนูอยากถามว่าสมมติถ้าเราเดินจงกรมใช่ไหมคะแล้วท่องพุทโธไปแล้วอยู่ๆพุโทโธมันก็หายเหมือนตอนเรานั่งสมาธิอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ ถ้ามันสงบก็ไม่เป็นไรถ้ามันหายนั่งจิตสงบไม่คิดบูรณาก็ก็ก็ไม่ต้องทําอะไรให้เดินใฉ่เดินมาเรื่อยๆดูบาข้างลูจิตว่างๆไปให้ดูแต่เฉพาะทางเดินที่เราเดินอยู่อ๋อค่ะอาจารย์โอเคค่ะวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ค่ะอาจารย์โอเคแล้วไงถ้าไปบวชแล้วถ้ามีโอกาสรับเข้ามาได้ก็วัดเข้ามาทั้งท่ายกันมาได้ทําทํามก็ไม่เป็นไรเพราะ ไม่ไม่ไม่ น, า น, าน่าได้ห้ามเลยก็ห้ามเล ย, เลยนะช่วง ช, ช่วงเจ็ดเดือนนี้คงอยเข้าไม่ได้ดีแ ล, ะละ้วล<จ>่ะตัดให้หมดค่ะอาจารย์แจะไม่ได้คุยกับใครเลยเ อ, อ่าดีโอเคค่ะอย่าคุยกับตัวเองด้วยนะไม่ได้คุยกับใครแล้วก็ย่ามานั่งคุยกับตัวเองก็ไม่ได้ใช่อนี้คือเป็นไอที่ชอบคุยกับตัวเองหมดเลยนั่นแล้ ว, ลวต้องใช้สติพุโทโธหยุดมันนะไม่กับตัวเองก็ห้ามคุยด้วยนะ อืมข่าวพระอาจารย์โอเคข่าวพระอาจารย์โอเคใครเอ่ยคนสุดท้ายคนอะลิสเลยคนอะลิสนี่ไงใช่ไหมอ๋อ่นอน้องภูผารถวากาดยังไงยังไงยังไม่นอนเลยกันานาสี่ทุ่มแล้ ถี่ตุ้ปากนะนี่ไงทุกคนทำงานบ้านเสร็จแล้วเหรอนวิชางเิข้นะคะวิชาเรียกเรวิชานะครนวิชาค่ะนี่รีบทำซะนะทให้เสร็จแล้วนอน <c oughs> การงานอย่าข้างๆท่านสอนมีงานก็มีารแล้วต้องรีบทำให้เสร็จลงคนอย่างยิ่งนะ ม, มีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมมีมีเข้ามาจับดวงตาค่ะโอเคอ่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆได้เรียนเก่งๆนะและ้วก็แข็งแรงขอให้าาให้ร่ำรวยทุกคนค่ะโ ข, <อ>ขอให้ดวงตาสุชาติมีอายุยืนยาว เกินหนึ่ง้อยี่สิบปีนะคะสาธุจ้ะสาธุรู้สียงคำถามหมดละตอนนี้ก็ไปที่เฟซบุ๊กต่อแล้วแต่คนนี้เไปทำเฟซบุ๊กกับเฟซบุ๊กมีคำถามไหมใช่ ค, ค่ะคืนนี้มีทั้งหมดตอนนี้เข้ามาสิบคำถามค่ะค่ะคำถามแรกค่ะจากคุณอู๋ค่ะ กลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการชนะใจตัวเองหมายถึงอะไรเกิดขึ้นคนอื่นจะชนะหรือเราชนะเราก็แค่สักแต่ว่ารู้ไม่ดีใจหรือเสียใจใช่อุเบกขาใช่ไหมเจ้าคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ให้ชนะคือชนะความโกรธชนะความโลดชนะกิเลสชนะตอนเป็นหละัเละเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเรา หยุดมันได้เนี่ยเราชนะตนแล้วก็โกรธเราอยากจะไปด่าใครแล้วก็ระงับความโกรธน้าไม่ไปด่าเขามีนั่นเองครเบในการชนะตนคำถามต่อไปจากคุณจุราภร์ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์กับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตอนนี้คุณพ่ออยู่ซีซหลับไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะไม่มีโอกาสได้ราลา ก, กันก่อนจากไปเรียนขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะ ว่าลูกๆและคุณแม่จะทำอย่างไรได้บ้างเมื่อถึงวาระสุดท้ายค่ะก็ก็ก็เฉยๆไปนะหนึ่งทำหน้าที่ไปก็ทำหน้าที่ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนบุสให้ท่านไปคำถามต่อไปจากคุณกิติค่ะมีสองคำถามนะคะกราบนมัสการครับสอบถามพระอาจารย์ว่าเวลาช้าผมใส่บาดด้วยน้ำแดงผสมโซดาได้ไหมครับ ได้จะถวายอะไรก็ได้ในช่วงตอนเช้าไม่มีข้อห้ามถ้าเป็นอาหารชนิดอื่ น, นได้ทนั้นอีกข้อหนึ่งครับเวลาที่น้ำแดงยังเหลือแล้วเรามาผสมดื่มต่อแล้ววันรุ่งขึ้นเราเอาผสมใส่บาตใหม่แบบนี้สามารถทําได้ไหมครับขอบพระคุณครับโดยปกติเราไม่นิยมทำข อ, ของของที่มันข้างคืนเพราะของมันที่มันอาจจะเสียได้เวลาทําของถวายพระบ้างจะทํำของใหม่ ทำทำทำในวันนั้นแต่สมัยนี้ถ้าเรามีวิธีเก็บไม่ไม่ไม่ถูกไม่น่าไม่เสียเงามาถวายใหม่ก็ได้คำถามต่อไปจะคุณทาทูค่ะพระปัจเจกบําเพ็ญเพียรเช่นไรหรือครับก็เหมือนคำว่าพุทธเจ้าแต่ว่าท่านไม่สอนใครท่านตัดสินแล้วท่านก็อาจจะพันพ่อมหานักเรียนสอนไม่ไานแล้นก็เลยไม่สอน อาจจะอยู่ในที่ที่ไม่มีใครสนใจทรรมะก็เลยไม่จะไปสอนใครก็เลยไม่สอนดีกว่าก็เลยป็นพ ร, ระปฏิเจตไ์ไปคำถามต่อไปจากคุณเพ็กี้นนท์ค่ะโยมเครื่องป่วยด้วยโรคนิ่วในไตคือหนึ่งขนาดที่โยมสวดมนต์นั่งสมาธิโยมเห็นนิมิตในสมาธิเป็นหลวงปู่ที่โยมไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านท่านเป็นพระอรหรันต์โยมจึงได้ตั้งอธิษฐานว่า หากโยมไม่ต้องผ่าตัดในวันมะรืนนี้โยมจะนำปัจจัยไปถวายแก่มูนิธิรักษาพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลหลวงรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ไม่ปกติในช่องท้องพอสวดมนต์เสร็จโยมจึงเข้าห้องน้ำปัสสาวะเม็ดนิ้วขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวก็หลุดออกมาทันใดอาการปวดท้องหายสนิทโยมรู้ได้ว่าทันทีว่าได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ยมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้คะ่ะ การที่โยมได้รับการช่วยเหลือจากหลวงปู่เป็นการที่แทรกแซงกรรมใหม่เจ้าคะแล้วท่านจะได้รับกรรมแทนโยมหรือไม่เจ้าคะขอบพระคุณมากคะ่ะไม่หรอกมันเป็นเรื่องของขอ ง, ของตัวเราเองมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องรับกรรมก็เลไม่ได้รับกรรมท่านค่คำถามต่อไปจากคุณอรณิชาค่ะกราบนิมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโยมขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ เมื่อไม่กี่เดินมานี้ลูกถูกผู้หญิงคนหนึ่งท่านหนึ่งต้องการทรัพย์จากหนูหลายหมื่นบาทเพื่อจ่ายในสิ่งที่เขาต้องการแท้จริงแล้วเรื่องนั้นๆอยู่หนูไม่ต้องจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะหนูมีประกันชั้นหนึ่งแต่เขาไม่ยอมลูกก็เลยตัดสินใจจ่ายให้คุณเขาไปทั้งๆที่ลูกก็ไม่มีเงินเยอะลูกนึกในตอนนั้นว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วนึกเอาคำนึกถึงพระอาจารย์ลูกก็คิดว่าถ้าเราจ่ายให้เขาไปแล้ว ทำให้เขาสบายใจเราสบายใจก็จงทำทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่จำเป็นขาต้องจ่ายทุกวันนี้หนูไม่เคยนึกโกรธเคืองคุณเขาเลยค่ะเพราะหนูตั้งมั่นในการรักษาศีลห้าหนูทําแบบนี้ถือว่าเป็นอุเบกขาและเมตตาหมายเจ้าค่ะขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เป็นความเมตตาของเราที่เรายินดีที่จะสียสะรัพย์เพื่อให้เขาความสดความสบาย คำถามต่อไปจากคุณตาหนูค่ะกรับน้มัส ก, การหลวงพูุครับเวลาผมนั่งสมาธิฟังหลวงตามหาบัวจากวัดป่าบ้านตาดฟังไปสักพักหนึ่งเกิดอาการดับหมดลักษณะเป็นศูนย์ประมาณ20นาทีเทศเสียงหลวงตาหายลมหายกายดับหมดลักษณะแบบนี้ถูกทางหรือเปล่าลักษณะแบบนี้เป็นมาแล้วสองปีหากผิดทางอย่างไรขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายด้วยครับผม ถ้ามันหาแบบไม่มีสติก็ก็ิดก็ถือว่าหลักถ้าหายแบบมีสติรู้สึกดูตาบามินาก็เรียกว่าเป็นความสงบเป็นสมาธิคํำถามต่อไปจากคุณกสิราค่ะอยากถามพระอาจารย์ค่ะว่าเราต้องวนอยู่ในวงจร น, นี้อีกนานเท่าไหร่คะอจนกว่าเราจะหยุดกิเลสได้ทำงานกิเลสให้หมดไปจากใจช น, นะความโลภความโปวดความหนุ่มความอยากต่างๆ ที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นแปแล้วก็จะยุติกันเป็นอว่าตายกิดได้คําถามต่อไปจะคุณนิมค่ะควบคุมจิต ด, ด้วยการวิปัสสนาความควบคุมหัวใจทําแบบเดียวกันหรือเปล่าคะเอาหัวใจนี่เป็นเรื่องของร่างกายเราไปควบคุมไม่ได้เราควบคุมดังนั้นจิตใจได้แต่ถ้าหัวใจที่แต้นอยู่ในร่างกายนี้เขเราเลือกแทนควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าเป็นจิตใจเป็นใจที่มีคาวามรู้สึกนักคิดนี่เรากควบคุมได้สติด้วยปัญญาคนะ่ะคำถามต่อไปจากคุณหนิงค่ะเป็นการเสียเวลามากเลยค่ะผมยาวหวีทุกวันถ้าไม่มีผมนี่โกนทุกสิบสี่วันใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์บางสำนักก็โกนทุกสิบสี่สิบห้าวันบางสำนักก็โกนทุกเดือนคำถามต่อส่วนใหญ่จะกนทั้งทุกเดือนค่ะมากกว่า คำถามต่อไปจะคุณวันค่ะพระโสดาบันมีสภาพจิตยอย่างไรคะเป็นเป็นจิตที่ไม่ยึดติตทางร่างกายแนละ้วปล่อยวางร่างกายนะปล่อยให้ร่างกายแก่ร่างกายเห็นร่างกายตายได้ยังไม่มีความรู้สึกทุกข์หรือวุ่วนวายไปครั น, นคำถามสุดท้ายจะคุณศักิ์สุริยันค่ะผมนั่งสมาธิแล้วหลับประจําเลยครับเป็นเพราะอะไรครับสาธุครับเพราะสติมีกําลังเราไม่กินข้าวกินอาหารมากไป ทั้นกงกถ้ามันถ้ามันหลับก็ต้องลุกขึ้นมานแทนดนสมาธิแทนนั่งสมาธิแทหมดแล้วหไม่ได้ยินเสียงครับตอนตอนนี้หมดหมดแล้วครับอาานดแล้วเรอแล้วข้าเขาต้องข้าโอเคแล้วคนไปกลายคลายพิต่อลพิอันนี้อยู่ชี่กาตมอเลยครับกลับมาเทกาลครับอาจารครับ มีมีคำถามนิดหน่อยครับอาจารย์ครับถ้าการไปช่วยเหลือสังคมเช่นไปช่วยสถาบันที่เราเคยเรียนนะครับมหาลัยหรือมัธยมแบบไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการทำทานนึกว่าครับอาจารย์ครับก็เป็นการทำวิทยาทานเพราะสถาบันนั้นเขาเขาจะได้สามาร ถ, ถ่ผยแพร่วิชวิชาความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ ถึงวม้เราจะไม่ได้ทําโดยตรงเราจะทํา้วลักษณะว่าเป็นการรับใช้สังคมนี่ารับใช้ผู้เป็นดูอย่างนึนถ้าจะเป็นวิทยาธานนี่เราต้องไปกราบไห้ผ้ามูกแก่ผู้นี่เรียกเป็นวิทยาทานครั บ, รบก็ก็เวลาเวลาไปทําก็เ อ, อฟังจากพระอาจารย์มาว่าให้ให้เปรียบเหมือนเราเป็นผู้รับใช้คนอื่นนะครับอาจารย์ก็ไปไปรับใช้เขาอะไรอย่างเนี้ยครับก็ก็ นั้นไม่ใช่เป็นวิทยาทานารับเป็นการบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้ครับก็ประมาณนี้ครับอาจานย์ก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นทานเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิทยาฐานเราให้กายยักเราให้ทานในการการทำงานของเราครับแล้วก็มีมีไปจัดชมรมธรรมะให้ให้ให้สิทธิ์เก่าได้มาฟังธรรมะจากดีๆจาก หนุ่มพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบนี้ครับอาจารย์ครับก็เหมือนกันในการรับใช้รูปไม่ก็เราไม่ติดธรรมะให้เขาสักตัวใช่ครับครับครับผมครับแค่นี้ยครับคือนี้เท่านี้ครับครับเขามาใช่คนอบเพิ่งเข้ามามามาอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับอาจารย์วมาบ้านมีคำถามอะไรไหมมีครับคือว่าตอน ตอนนี้คือผมแบบว่าเวลาแบบว่าจิตมันเหมือนมันเข้าในกันไปครับอาจารย์มันเหมือนกับว่ามันจิตมันไปส่งดูจิตยอยู่ตลอดเวลาเวลาขับรถหรือว่าเวลาทำงานเนี้ยมันก็เหมือนมันมันรำคาญครับอาจารย์ก็ต้องดึงมันออกมาให้มันอยู่กับการขับรถใช้พุทโธพุทโธเดินมันมาแบบแบบนี้มันไม่ดีใช่ไหมครับอาจารย์มันต้องดึงออกมาคือถ้ามันมันมันอยู่ เวลาจำเป็นจะต้องอยู่ข้างหน้าก็ต้องหยิดข้างนอกแต่ถ้าไม่มีการจําเป็นต้องอยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างในก็ดีกว่าครับ <c oughs> มันเหมือนกับว่าถ้ามันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ส่องดูแต่ความคิดอหรอครับอาจารย์อ๋อต้องหยุดมันอย่าไปปล่อยดูความคิดให้หยุดความคิดเลยครับใช้พุโธพุโธ <c oughs> <c oughs> อย่เลยอย่าไปดูถ้าดูความคิดมันก็ไม่นิ่งไม่าานิ่งมันก็ไม่ได้สมาธิใช่ครับแล้วมันอึดอัดด้วยครับอาจารย์ใช้พุโธพุโธ ต้องพูดคไปใหญ่อยู่พูดโทจนกว่าตาขี้มันจะหยุดครับแล้วแล้วบางทีพอออกมาจากมันมันของมันเคว้งๆครับจ่ายมันไม่มีตัวก่อครับก็ไม่เป็นไรให้รู้เป็นตามธรรมเป็นจริงของมันแต่ก็แล้วกันครับอยี๋ยวตะกู่มันก็หายไปตะกูมันก็หายไปครับก็คือต้องออกมาออกมาจากมันเวลาเราใช้ชีวิตปกติทํางานใช่แล้วเราต้องทํางานต้องเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องออกมา ครับครับโอเคครับอันนี้นะ ค, ครับอามาอันนี้มีใครอยากจะถามอมีกไหมคำถามอันที่เข้ามามนใครที่ยังไม่ได้ถามอยากจะถามกอเชิญถามได้มีคําถามจากเฟซบุ o กหนึ่งครับถามนะครเชิญค่ะคำถามจาก facebook จากคุณสุวรรณรัตน์ค่ะเหตุแห่งอวิชชาคืออะไรครับผม อวิชาันไม่มีเหตุอวิชามันเป็นตัวที่มันคือความหลงแต่ว่าเหตุก็คือการไม่มีความรู้ก็ได้อวิชาก็คือการไม่มีวิชาอ้ะอากษรคว่าวิชามารวมกันก็คือแสดงว่าไม่มีวิชาเหตุที่ไม่มีวิชาเขาบอกว่าไม่มีวิชาไม่ได้ศึกษาเรามาศึกษากันถึงจะมีวิชาก็ศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นการศึกษา เพื่อที่จะมาทำให้วิชาอาวิชาที่ดับไปมิธานี้เลยมีคำถามเข้ามาอีกสองคำถานะคะ <c oughs> คำถามต่อไปจะคุณเพาโลค่ะกรับน้ำมสการหลวงพ่อครับเรียนถามหลวงพ่อครับการนั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวโดยไม่กำหนดคำพูดโทรหรือคำกล่าวใดๆเพียงรู้ลมหายใจเข้าออกแต่อาการที่เกิดอย่างเดียว แบบนี้เรียกว่าการเจริญอานาปานสติที่ถูกไหมครับก็เวลาที่เจริญอานาปานสติให้ดูมหมหายใจก็ออกเพียงอย่างเดียวแต่บางทีก็เอาพุทธโมาผสมด้วยก็ได้ก็เป็นสองอย่างเป็ น, นั้งทุตานาสติควบคู่ไปกับอานาปานสติอันนี้แล้วแต่จะิตของแต่ละท่าน<ข>วันนี้นะค่ะคำถามต่อไปจะคุณพงศักข์ค่ะกราบน้อมสักการพระอาจารย์ครับ เวลาผมทำสมาธิในบางครั้งเมื่อจิตนิ่งคล้ายมีเสียงระเบิดหรือเสียงเคาะโลหะดังขึ้นเบาบ้างดังบ้างหลายๆครั้งผมก็ตกใจครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับและเราจะรับมืออย่างไรครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับก็อย่าไปสนใจมันให้กลับมาดึลงลมนุ่นพุโทโธต่อไปอย่าทิ้งลมนุ่นพุโทโธอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันเกิดขึ้นแล้วเหนอืนอระดับมันไป ตอนนี้คำถามหมดแล้วค่ะหมดแล้วไม่มีใครถามแล้วนะดีไหมเราจะได้ปิดประชุนม น, นะไม่มีคนยก ม, มือแ้ะไม่มีนะถ้าไม่มีงัก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็าขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติ